ปราวะคูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมมะโกงบอสนองกะตะปุญโญพาเทรานเราุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มานั่งในสถานที่นี้แล้วก็ได้ฟังธรรมอยู่ทางบ้านอเอามือลงก็ไดเนาะสบายๆก็คงจะใช้โอกาสนี้ได้มาสาธยายธรรมนะ ให้ผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจได้ฟังการที่เราจะทำะภารากิจของการพ้นทุกหรือว่าภารากิจของการขจัดกิเลสเราจะต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสก่อนอเราจะเราจะไปลบลาค่าศึก เรายัางไม่รู้หน้าตาของข้าศึกนั้นเป็นเช่นไรการชนะข้าศึกจะมีได้อย่างไรอ น, นี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราจะชนะข้าศึกเราจะต้องรู้ว่าข้าศึกนั้นคือใครหน้าตาอย่างไรสักแต่ว่าไปลบลาบเขาแต่เราไม่รู้จากเขาแล้วเราจะเจอตัวเขาได้อย่างไรล่ะบางครั้งเราเจอตัวเขาแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คือศัตรูของเรา แล้วเราจะลุเราจะไปลบกับขายบางคนบอกว่ากิเลสไปลบหลากิเลส ท, ทั้งๆที่อยู่กับกิเลสแต่ยังไม่รู้สึกตัวว่านั่นคือกิเลสไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสอย่างเช่นว่ า, าบางคนบอกว่าตามดูตามรู้จิตเราว่าคิดอะไรมันคิดอะไรอะไรให้รู้มันเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตามนั่นคือกิเลสเลย แล้วเราจะเอขาคนนั้นจะชนะกิเลสได้อย่างไรความจริงแล้วก็คือการไปของจิตทุกอย่างที่บอกว่าไปแล้วคิดโน่นคิดนี่อ่า <c oughs> ความคิดเกิดดับอยู่เสมอเกิดดับนั้นคือกิเลสหมดแล้วเขาจะตามไปเท่ากับว่าตามกิเลสนั่นเองแล้วจะทําอะไรได้เราถ้าตามกิเลสก็เหมือนกับตามผู้ร้ายนั่นเอง เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตามนั่นคือกิเลสแล้วเขาจะหลับกิเลสได้อย่างไรความจริงแล้วเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยจิตเรามันผูกพันที่มันตามก็คือตามอารมณ์นั่นเองตามโลกนั่นเองตามไปสู่ลาคะโทสะโมหะนั่นเองจิตของคนเราที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยก็เพราะกิเลสสามตัวนั่นเองการไปของจิตทุกอย่าง ก็เท่ากับว่าไปเพราะอํานาจของกิเลสคันแล้วเมื่อเราไปตามจิตที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆมันจะต่างอะไรกับตามผู้ร้ายไปนั่นเองอยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตามนั้นคือผู้ร้ายแล้วจะหาความตั้งมั่นได้อย่างไรจิตมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยก็เหมือนมันเกิดดับไปเลยมันเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์เดิมมันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไป ลิงที่มันห้อยโหนน่ะมันก็เปลี่ยนกิ่งไม้จับไปเรื่อยๆนั่นเองมันจะอยู่กับที่ได้อย่างไรเราจิตเองก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆ เ, เราไปดูเขามันจะจบตรงตรงไหนเ้าอย่างนี้เนี่ยกิเลส ท, ทั้งมีกิเลสอยู่ยังไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสยังกลายเป็นว่าสิ่งที่ดูนั้นเป็นธรรมะไปเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าจะไปลบลาอะไรกร็สึกได้ จะลบไปลบลากับกิเลสได้อย่างไรยังไม่รู้เลยว่านั่นคือกิเลสเราไปเทียบรรคําสอนพูะเจ้าเนี่ยจะไม่หลงเลยถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนั้นท่านก็กล่าวอยู่แล้ววา่าจิตของเราที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆามากมายนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นท่านก็พูดอยู่แล้วว่าท่านกล่าวว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อบุคคลใดตรึกในอารมณ์ใด อารมณ์นั้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจอารมณ์นั้นก็คือราคานุัส sava. ราคานุใสก็คือาราคะนั่นเองก็ย่อมตามติดในบุคคลนั้นบุคคลใดคิดในอารมณ์ใดเป็นที่น่าไม่น่าพอใจพอใจก็เป็นราคะไม่น่าพอใจก็เป็นโทสะปฏิคานุใสยย่อมตามนองเรื่องบุคคลนั้นก็คือละโทสะนั่นเอง บุคคลใดตามอารมณ์ไปเมื่ออารมณ์นั้นใช่รักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่เป็นลักษณะกลางกลางอาวิชานุสัยย่อมตามนอนเรื่องบุคคลนั้นก็คือโมหะนั่นเองแล้วมันมีอะไร ล, ล้วอารมณ์ก็สามอย่างเท่านั้นเองทีนี้บุคคลนั้นตามดูตามรู้อารมณ์ก็เท่ากับตามกิเลสไปตามตามเขาจูงไปนั่นเนี่เราก็กลายไปตามก้นเขาไป อันนี้ก็จะไปหลับกิเลสได้อย่างไรก็เหมือนตามผู้ร้ายไปดีๆนั่นเองยังไม่รู้ว่านั่นคือผู้ร้ายจะเป็นธรรมะได้อย่างไรทางที่ดีก็คือการชนะข่าศึกการที่เราจ ะ, ะชนะกิเลสก็คือเราจะต้องไม่มีสามตัวนั้นสิเพราะสามตัวนั้นพาจิตเราไปนี่จูงจมูกเราไปยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกจูงยังตามเข้าไปอีก แล้วจะเป็นธรรมะได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคนที่ทำเราเขาเรียกว่าดับกิเลสเนี่ยยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ตัวไหนมันสามตัวนี่มันเป็นกิเลสหมดแล้วนะ่ะเราจะดับได้อย่างไรนะ่ะก็เมื่อสามตัวเป็นผู้ร้ายดีๆเนี่ยเท่ากับเราเดินตามผู้ล้ายไปเท่ากับคบค้าสมาคมกับผู้ร้ายนะ่นดีๆนี่เองแล้วเราจะชนะเขาตรงไหนอย่างไร ยังไม่รู้ว่าเขานี่คือศัตรูฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นตามอยู่อย่างนั้นความตั้งมั่นของจิตจะเจอได้อย่างไรเพราะจิตมันไปอ่ะก็คือความตั้งมั่นจะมีได้อย่างไรอันนี้แหละสาวรู้จนตั้งหลายว่าเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเรายังไม่รู้เลยว่ากิเลสเราคืออะไรบางคนบอกว่าคิดดีเนี่ยไม่ใช่กิเลส แต่คิดไม่ดีเนี่ยคือกิเลสอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความจริงเนี่ยสังเกตไหมคิดดีกับคิดไม่ดีมันเป็นเพื่อนกันน ะ, ะคิดทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดว่าเราเอาข้าข้างคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีมันจะตามมาเองเพราะมันเป็นเพื่อนกัน กอและขอเป็นเพื่อนกันมาก่อนถ้าเราครบกอขอก็ตามมาเองถ้าเราครบคุยขอกอก็ตามมาเองฉะนั้นทางที่ดีคือทิ้งทั้งกอและขอนั้นเสียไม่เอาเอาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นเพื่อนกันเราสังเกตไหมว่าจิตที่เราคิดดีเนี่ยเราเราเราคิดว่ามันไม่ใช่กิเลสแต่คิดไม่ดีนี่คือกิเลส ถ้าเรารักษาจิตที่ดีไปเนะี่ยเดี๋ยวไม่ดีก็ตามมาเราสังเกตไหมว่าเวลาเราทําสมาธิเนะี่ยความคิดไม่ดีนี่มันจะแทรกแซงเราตลอดเลยทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการนะเขาก็จะมาเองเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันคนที่เขาคนที่ปฏิบัติธรรมจะมาเสียเวลาสิ่งเหล่านี้มากมาย ยังไม่รู้ตัตวเองเสียดเบียดสีข้างอยู่กับกิเลสยังไม่รู้ว่านี่คือกิเลสนะเดินเบียดกันอยู่คบกันอยู่นี่นี่คือผู้รายตัวเองยังไม่รู้ว่านี่คือผู้ล้ายแล้วจะไปลบศัตรูที่ไหนล่ะผู้ร้ายอยู่ที่ไหนล่ะตัวเองยังไม่รู้จักทั้งทัที่คบเขาอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าทุกคนนี้คือผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วจิตใจของเราเนี่ยผูกพันกับโลก ด้วยอารมณ์ทุกชนิดนั่นคือกิเลสการที่พ้นจากกิเลสนั่นก็คือการที่เราให้จิตของเรานี่แยกออกจากกันซะแยกออกจากกันซะแล้วก็ไม่หวนกลับไปสู่การผูกพันกันอีกก็คือไม่มีอารมณ์อะไรเลยนั่นเองเราต้องเข้าใจวันนี้พานต้องเป็นเช่นนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยเราตามดูตามรู้ก็ตามกิเลสนั่นเอง เราทำจะให้เราคิดดีคิดคิดไม่ดีก็ตามไปนั่นเองก็เป็นกิเลสทั้งคู่นั่นเองความจริงแล้วเนี่ยคิดดีนี่ก็เป็นกิเลสนะคิดไม่ดีนี่ก็คือกิเลสมันกันทำไมเป็นกิเลสเพราะเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสก็คือความคิดถึงแม้จะคิดดีนั้นด้วยคิดดีนั้นพ่เรียกว่ากิเลสอย่างดีคิดไม่ดีนักกิเลสอย่างไม่ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือกิเลสทั้งคู่ มันมีทั้งกิเลสดีกับกิเลสไม่ดีแต่ไม่มีกิเลสนั่นแหะคือไม่มีอารมณ์นั่นเองนั่นเองถึงจะเป็นผู้เข้าถึงการเขาเรียกว่ า, าการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้นะ่ที่กล่าวในที่นี้ก็เพื่อให้รู้จักว่าบางคนหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวตัวเองว่ากิเลสของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เท่ากับว่าไม่รู้ทุกนั่นเอง ความจริงแล้วก็คือความเป็นพัฒนิพานที่ตัวเองอยากจะได้ยังไม่รู้จักว่านิพานคืออะไรแล้วกิเลสคืออะไรยังไม่รู้เราจะชนะฆาศึกได้อย่างไรนิพานก็หมายถึงว่าเราหลุดพ้นจากเครื่องรอยรัศอะไรอะ่ะคือรอยรัศกิเลสของเรานั่นเองพระอริยเจ้าทั้งหลายท่าน พ้นจากเครื่องร้อยรัดไปทีละเปลาะละเปลาะละเปอกก็คือกิเลสแต่ละอย่างละอย่างละอย่างไปโดยการที่ใช้กิเลสนั้นเป็นเครื่องวัดของการละก็คือสังโยชน์สิบสังโยชน์สินั่นเองเป็นเครื่องวัดของอพระอริยเจ้าทั้งหลายาก็ละได้เท่าไหร่ การเป็นพระยเจ้าก็สูงขึ้นเท่านั้นนั่นเองพวันนี้จะได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องว่าสังโยชนิยธรรมก็คือธรรมที่ก่อให้เกิดการผูกมัดเราก็คือสังโยทัยรร้ง10อ่าวันนี้ก็คงจะชี้แจงเรื่องว่าสังโยต10หรือสังโยชนิยธรรมก็คือธรรมะอันเป็นเครื่องเครื่องเกาะเกี่ยวหรือเรื่องเครื่องร้อยรัด จิตมัดจิตใจของเราติดไว้ก็คือสังโยชนิ ย, ชนยธรรมนี้ก็คือว่าทำอันก่อให้เกิดการผูกมัดไว้สิบประการซึ่งเราก็จะต้องละกิเลสมีสามตัวแต่แยกแยะออกไปขยายความแล้วก็คื อ, อสังโยชน์ยต้องสิบตัวสิบอย่าง กิเลสนั่นแหละสามตัวใหญ่แต่ตัวย่อยก็คือสิบตัวนั่นเองอันเดียวกันทีนี้การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราเห็นไม่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยผูกมัดอยู่ในโลกมาก่อนแล้ว ก, แวก็แล้วก็การเดินทางของจิตใจของคนเราเนี่ยก็เดินทางไปตามกระแสะโลกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขั้นเราไปทําสมาธิก็ยังตามเข้าไปอีกนะตามรู้ตามรู้เข้าไปอีก ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตามนั้นคือกิเลสอันนี้ก็น่าก็ เ, าเรียกว่าน่าสงสารว่าเขาไม่รู้จากกิเลสจริงๆว่าสิ่งที่ตามนั้นคือกิเลส <c oughs> และเขาจะละกิเลสได้อย่างไรการที่เรามีเครื่องผูกไว้มัดไว้จิตใจของเราติดอยู่กับโลกนี้ก็คือ สังโยตหรือสังโยชนียธรรมทมอันก่อให้เกิดการผูกมัดของเหล่าสิบประการใครจะเป็นพระยะเจ้าจะต้องผ่านสังโยตการละสังโยตไปตามลำดับลาดับ <c oughs> ทีนี้ว่าการที่เราจะละสังโยตได้ต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ถึงจะละได้ปกติแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้ทางเรายังไม่รู้ทางในทางเหล่านั้นว่าทางไหนจะเป็นทางที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะนำไปสู่การละสังโยชน์ก็เกิดการที่ว่ามืดมนเพราะว่าเรายังกําหนดรู้ความเป็นกิเลสไม่ได้ การฟังธรรมนี่เองจึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมีขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่รู้อะไรความไม่รู้เหล่านี้ก็คือความไม่รู้ทุก์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้หนทางที่นําประสูการดับทุกข์เรายังไม่รู้ว่าทุกอยู่ตรงไหนเหตุของทุก์อยู่ตรง ตรงที่ไรอะไรเป็นเหตุของทุกข์แล้วการดับทุกข์ดับได้อย่างไรหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็มีไม่มีข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วคนเหล่านั้นจะปฏิบัติได้อย่างไรอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราไม่รู้ต่างๆนี่เองก็คือความไม่รู้สี่ประการนี้ก็คืออวิชชานั่นเอง บุคคลเกิดในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ถูกอวิชานี้ครอบงำจิตใจของคนเราเนี่ยติดอยู่หลงอยู่เหมือนตาข่ายที่ดักสัตว์ขังอยู่ติดร่างแหยอยู่เราจะต้องถูกความเป็นโลกเนี่ยครอบคุมปิดบงังอำพางไว้ไมาไม่ให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การทุบดับทุกอย่างนี้ความไม่รู้เหล่านี้เองอะไรหนอเป็นเหตุของความไม่รู้ความไม่รู้เหล่านี้เนี่ยถูกอะไรปิดบังเอาไว้ความไม่รู้เหล่านี้ที่ปิดบังเอาไว้ก็คือนีวรห้าเป็นเครื่องปกปิดความไม่รู้ ความไม่รู้นี้ก็อาศัยอาหารการที่ความไม่รู้ตั้งอยู่ได้เพราะมีอาหารอาหารของความไม่รู้ก็คืออวิชานั้นอะไรหนาคืออาหารของอวิชชานิวรนห์หคืออาหารของอวิชชาที่มีอยู่แล้วย่อมมีต่อไปก็คือนิวรน์ละธรรมทั้งห้า อะไรหนานิวรณ์ตั้งห้านี้ตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรณ์ทุจลิตสามคืออะไรการประพฤติกายวาจาใจที่ไม่ถูกต้องเป็นทุจลิตไม่ใช่สุจลิต จึงทำให้นิบรลห้านั้นงอกงามนิบวรห่างอกงามนั้นทำให้อวิชานั้นงอกงามต่อไปและอะไรหนอททำให้ทิุุจจริสามนี้ตั้งอยู่ได้อย่างงอกงามอะไรหนอเป็นอาหารของทุตจริสามนั้นการสมรวมอินทรีย์การไม่สํบออาการไม่สำรวมอินทรีย์ การไม่สังวรระหว่างอินรีเหล่านั้นเป็นเหตุให้ทุจริตสามนี้เจริญอย่างงอกงามอะไรชื่อว่าเจริญสังวรอินรีสัมรวมอินรีทำให้ทุจริตสามนั้นงอกงามสัมรวมอย่างไรไม่สามรวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจอินรีเหล่านั้น จะทำให้จิตนัรั่วไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆการรั่วไหลของจิตนั่นเองทําให้กายทุจริตวัจจีทุจริตมโนโทุจริตก็งอกงามเพราะการไม่สํารวมอินทรีย์นั้นเป็นอาหารของการของทุจริตสาอะไรหนอการไม่สํารวมอินทรีย์ถึงได้มีอยู่ตั้งอยู่ได้ อะไรหนอเป็นอาหารของการไม่สมบูรณอินทรีย์นั้นการไม่สมบวรณอินทรีย์นั้นตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเป็นอาหารการที่ไม่เจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองจึงทำให้ทุิจริตสามนั้นเกิดขึ้น แล้วเกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามอยู่การไม่เจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองจึงเป็นอาหารของสังวรอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นั้นอะไรหนอการที่ไม่เจริญสติปัฏฐานสี่ตั้งอยู่ได้อะไรเป็นเหตุเป็นอาหารของการไม่เจริญสติปัฏฐานสี่การที่ไม่มีโยนิโสมนสัสการเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสัสการนั่นแหละ เป็นของที่เป็นทำให้ทุจริตสามนี้าการไม่ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี้เนื่องอกงามการที่เราเขาเรียกว่าอะไรหนอเป็นเหตุของการไม่เจริญสติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการอะไรคือโยนิโสมนสิการคืออุบายในใจไม่ตั้งไว จึงไม่ทำให้การเจริญสติปะณานสีจึงเกิดขึ้นไม่ได้อะไรหนาททำให้การเจริญ เ, เขาเรียกว่าอโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นอะไรหนาเป็นอาหารของการไม่ทำในใจไว้แยบการกระทำในใจไว้ไม่แยบขายอโยนิอโยนิโสมนัสิการแปลว่าการไม่ใส่ใจห้ในอารมณ์ที่ที่เป็นอุบายที่แยบขาย ไม่ใส่ใจก็คือปล่อยใจนั่นเองไม่ใส่ใจอารมณ์ที่ควรใส่ใจแล้วก็ใส่ใจในอารมณ์ที่ไม่ควรใส่ใจปล่อยปะาละเลยใจไม่มีอุบายตั้งไว้ทำให้สติปานสี่เกิดไม่ได้ก็คืออโยนิโสมนัิการก็คือการไม่ใส่ใจที่แยบขายอะไรหนอเป็นหาเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดการไม่ทำอุบายไว้แยบขายก็คือ อายออโยนิโสมนาสิกานั้นอะไรหนอเป็นอาหารของเขาทำให้อโยนิโสมนาสิกานั้นตั้งอยู่ได้อะไรหนอที่ไม่ที่เป็นอาหารของการไม่ทำอัดทอุบายไว้ในใจที่แยบขายการไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธานั่นเอง ทำให้อโยนิสโสมนสิการก็เกิดขึ้นคือความไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่เชื่อคำสอนนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราไม่ได้ทำอุบายไว้ในใจอะไรหนอททำให้เราไม่ศรัทธาลราเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองเราจึงไม่ศรัทธา สาเหตุของทำให้ไม่ศรัทธาเกิดขึ้นเพราะอะไรทำให้ไม่ศรัทธาทำให้ไม่ศรัทธานั้นตั้งอยู่ได้อย่างงอกงามก็เพราะการไม่ฟังธรรมอะไรหนอททำให้เราไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่นั่งใกล้ผู้รู้หรือสับธรุษการไม่นั่งใกล้จึงไม่ได้ฟังธรรม สุดท้ายมาลงที่ว่าเพราะการไม่ได้ฟังธรรมมาจากการไม่นั่งใกล้สัตบรุษมาสิ้นสุดตรงที่ว่าไม่ได้นั่งใกล้สัตบรุษเท่านั้นเป็นที่สุดของการสาวหาเหตุว่าอาวิชชาทั้งหลายมาจากตรงนี้ทีนี้ว่ า, าการที่เรานั่งใกล้สัตบรุษเป็นเหตุของการฟังธรรม การนั่งใกล้สัตว์ประหลุดดันเองทําให้เกิดการฟังธรรมขึ้นมาว่างันเถอะเมื่อฟังธรรมขึ้นมาก็มีศรัทธาความเลื่อมใสก็เกิดขึ้นความเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อความเชื่อนั้นเกิดขึ้นก็มีการทําไว้ในใจก็คือโยนิโสมนัสิการบอกว่าอย่าทําใจอย่างนี้นะอย่าปล่อยจิตอย่างนี้นะให้ทําใจอย่างนี้นะต้องสร้างอารมณ์นี้ขึ้นมานะ ต้องพิจารณาอย่างนี้นะห้ามพิจารณาอย่างนี้นะห้ามวางอย่างโน้อนอย่างนี้ทำอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้เป็นตน้นก็เกิดการเชื่อความเชื่อนั้นก็เกิดขึ้นความเชื่อนั่นเองเขาเรียกว่าศรัทธาเมือ่อศรัทธาเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นก็ต้องทำใจไปตามนั้นเ็าเรียกว่าโยนิโสมณสิการก็รเกิดขึ้นเมื่อโยนิโสมณสิการเกิดขึ้นสติปัฏฐานสี่ก็เกิดขึ้น สติปฐาน4เกิดขึ้นก็ยังให้การสํารวมอินทรีย์ก็เกิดขึ้นการสํารวมอินทรีย์เกิดขึ้นทำให้ละทุตจริตสามนั้นก็กลายเป็นสุดจลิต3เมื่อสุดสุดจลิต3าเกิดขึ้นก็ยังให้นิวรณห้าให้หายไปดับไปโพชงเจ็ก็ เ, เกิดขึ้นมาแทนที่ เมื่อพ่อชงเจ็ดนั้นเกิดมาแทนที่ก็ทําลายซึ่งเชื้อเสียซึ่งเขาเรียกว่าอาวิชานั้นได้เขาเรียกว่านี่ทาฝ่ายดับเมื่อกี้ทําฝ่ายเกิดแสดงว่าความไม่รู้คือความอาวิชชาเพราะมาจากนิวรณ์ห้าปกปิดไว้เมื่อนิวรณ์ห้าปกปิดเพราะเหตุของทุจริตสามเมื่อมีทุจริตสาม ก็ไม่มีการสํารวมอินทรีย์เมื่อเมื่อการไม่สั่งรวมอินทรีย์นั่นเองก่อให้เกิดทุจริตสแล้วอะไรก่อให้เกิดทุจริศสาได้ล่ะไม่สั่งรวมอินทรีย์ล่ะก็คือไม่เจริญสติปัฏฐานสทําไมไม่เจริญสติรัตนสี่ปัฏฐาน4เพราะไม่มีโยนิโสมนัสิการการไม่มีโยนิโสมนัสสิการเพราะการไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่นั่งใกล้ สัตรบุรุษเราจะเห็นไหมว่าการฟังธรรมนั่นเองทําให้เกิดการทําลายกองอวิชชาได้เมื่อนั่งใกล้สัตรบุรุษย่อมมีการฟังธรรมเมื่อมีการฟังธรรมนั่นเองจึงทําไว้ในใจด้วยอุบายการทําใจไว้อุบายอัโดยชอบเป็นเหตุของการเจริญสติปานสีก็สมบูรณ์ เมื่อเจริญสติปัฏฐาน4สมบูรณ์การสมรวมอินทรีย์ก็เกิดขึ้นการสํารวมอินทรีย์เกิดขึ้นทุจริต3าก็กลายเป็นสุดจริต3เมื่อสุดจริต3ามีขึ้นไปก็ทําลายนิวรห้าก็คือกลายเป็นโพชฌงเจ็ดโพชฌงเจ็ดนั่นเองเป็นตัวทําลายนิวรห้านินลรธรรมทั้ง5นั้นได้แล้วก็ยังวิชาให้เกิดเมื่อวิชาเกิดวิมุติก็เกิด วิมุตตเกิดการหลุดพ้นก็เกิดโดยชอบการหลุดพ้นก็เกิดด้วยเหตุผลอุบายอย่างนี้นั่นเองเราจะเห็นไหมว่าความไม่รู้ต่างๆต้องมีเหตุมีผลปตามลาดับอันนี้แหละเขาเรียกว่าโครงสร้างของการที่เราจะหลุดพ้นเราจะต้องมีการเรียนรู้ขึ้นมาว่าเราจะทำสงขามกว่าฆ่าศึกคือกิเลสเรายังไม่รู้ ต้นสายปลายเหตุอย่างไรเราจะชนะเขาได้อย่างไรเล่าสาธุชนทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นการปฏิบัติที่พูดง่ายๆก็คือใช้ปัญญามากปัญญาเท่านั้นแหละที่จะยังรับให้เกิดปัญญานั่นแหละคือซับปัญญานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำแลกกิเลส ถ้าปราศจากปัญญาเสร็จแล้วเราจะทำลายกิเลสได้อย่างไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมปัญญาสำคัญยิ่งนักเพะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่เราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมการฟังธรรมนั่นแหละเขาเรียกว่าสุตตะปัญญาปัญญาปัญญาจะเกิดเกิดจากการฟังแล้วจะนำไปสู่เขาเรียกว่าภาวนามายปัญญาก็คือ การปฏิบัติแล้วทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกปัญญาจากการฟังแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติก็เป็นการที่ผลิตผลของปัญญาในการปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะชำระ ก, กิเลสถึงจะเป็นไปตามลำดับของการอบรมที่ถูกต้องฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้พระธรรมคาสอนพุทธเจ้านี้ เราจะเรียนรู้ไปตัวไ ป, ไ ป, ไปด้วยลาดับด้วยลําดับถ้าไม่งั้นแล้วเรายัางเราจะชนะค่าศึกได้อย่างไรสังโยตทั้งสิบจะเป็นเครื่องมัดใจสัตว์ไว้สังโยตไปว่าเครื่องผูกใจสัตว์เครื่องผูกเครื่องมัดให้คนติดอยู่ในโลกนี้ก็คือวาอ่าก็คือสังโยชนียธรรมทั้งสิบอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ อันนี้แหละสัธุ์ชนทั้งหลายว่าการที่เราไม่มีปัญญาหรือปัญญาน้อยเนี่ยเราจะสู้สู้เขาได้อย่างไรค่าศึกของค่าศึกของเราก็คือกิเลสต่างๆเนี่ยเขาอยู่ในรูปแบบอย่างไหนเนี่ยเขาเรียกลูกรูปแบบไหนบางครั้งเนี่ยเราเบียดเสียดกันอยู่ยังไม่รู้ว่าเขานี่เป็นผู้ร้ายเพราะอะไรเพราะความโง่เขาของเรา เพราะความไม่รู้ของเราเป็นเหตุแล้วเราจะหาผู้ร้ายได้ที่ไหนเล่าเพราะการที่เราจะเข้าใจว่าผู้ร้ายคือผู้ร้ายเนี่ยแต่ผู้ร้ายที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นในข้าวของผู้ดีก็ได้แล้วเราจะตายใจยังไงว่านี่คือผู้ร้ายอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมว่าเราจะต้องฟังทำการที่เราจะมีมีปัญญาขึ้นมาโดยไม่ใช่เหตุเนี่ยก็ไม่ได้ อะไรหนอทำให้เกิดปัญญาและอะไรหนอปัญญาที่เรามีแล้วหรือไม่มีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านกล่าวถึงความเป็นผู้มีปัญญาหรือกล่าวในการที่ว่าบุคคลที่จะก้าวไปสู่พระโสดาบันต้องมีองคศอีองคศีประการหนึ่งเขาเรียกว่าสัพพุริสสัพพุิสสังเสวะการคบสัตตบรุษ 2. สัตธรรมสวนะการฟังธรรมของท่าน 3. โยนิโสมนสิการทำทำตามอุบายที่ท่านชี้แนะไว้ในใจ 4. ธรรมานุธรรมปฏิปฏิก็คือการที่เข้าถึงการปฏิบัติแล้วสมควรแก่เหตุผลของการปฏิบัตินั้นจะผลิตผลซึ่งธรรมนั้นเกิดขึ้นเหตุผลสี่ประการนีเอง บุคคลที่จะเข้าสู่การละสังโยชน์ได้เบื้องต้นก็คือพระโสดาบันจะต้องมีองค์สี่ถึงจะเป็นผู้สามารถที่จะทำลายสังโยชน์ได้ตามลำดับลาดับขึ้นไปฉะนั้นองค์สี่นี่เองจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการที่จะเข้าสู่กระแสของพระพุทธเจ้าจะต้องมีเหตุและปัจจัยที่ถูกต้องก็คือสอย่างพูดเป็นภาษาไทยก็บอกว่า ข้อที่หนึ่งก็คือคบสัตบุรุษก็คือคบผู้รู้ที่รู้ทางเส้นนี้สองฟังธรรมของท่านสามทำไว้ในใจที่ท่านทําไว้ในใจโดยที่ท่านชี้แนะว่าให้ทําใจอย่างนี้นะอย่าทําใจอย่างนี้นะแล้วทําใจตามนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการสี่ให้นําสิ่งนี้ที่ฟังนั้นนหะทําในใจนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธปรรมอย่างจริงจัง สี่อย่างนี้เองถ้าแปลมาแล้วนะเราจะต้องทำสี่อย่างนี้ให้เกิดให้มีแล้วเราจะเป็นผู้มีปัญญาดังว่านี้ปัญญาทางโลกเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่มาใช้ทางธรรมไม่ได้เพราะว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยจะต้องใช้ทางธรรมอย่างเดียวก็คือธรรมะจะต้องใช้ปัญญาทางธรรมเราเก่งทางโลกแต่เราไม่ฉลาดทางธรรม ทุกคนก็ต้องไม่ฉลาดมาก่อนนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเราจะฉลาดด้วยเหตุผลสี่ประการนี้เองไม่งั้นแล้วเราไม่สามารถจะชนะค่าศึกได้เลย <c oughs> อาการที่เราจะต้องชนะค่าศึกได้โดวยวิธีที่ว่าเราจะต้องเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือว่า กิเลสต่างๆเราต้องรู้จักว่าอันไหนคือกิเลสอันไหนคือกิเลสอันไหนคื อ, อสังโยชน์อันไหนคือข้อประพฤติปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วนะว่ากิจของคนเราเนี่ยที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละนั่นคือกิเลส อย่าไปตามเชียวนะความคิดเนี่ยตามไปเท่าเราก็ตามตามไปเท่ากับเราตามกิเลสดีๆนี่เองตามไปไม่ได้มีทางเดียวคือหยุดตามก็คือไม่ตามเขาดึงเขากลับเลยตามไม่ได้เขาเข้าไปนั่นแนหะคือกิเลสพราะตัวเองไม่รู้จักกิเลสก็ตามผู้ร้ายไปนั่นเองแล้วเราจะชนะผู้ร้ายได้ยังไงเตอเดินตามก้นเขาไปแต่ยังไม่รู้ว่าคนนี้คือผู้ร้ายแล้วเราจะไปลบกับใครละ่ะ ความจริงแล้วจิต ท, ที่ปรุงแต่งทั้งหมดนั่นเองเป็นกิเลสเป็นอวิชชาอาวิชชามีอยู่สังขารยมีก็คือความปรุงแต่งนั้นมาจากรวนแล้วแต่อวิชชาทั้งสิน้นเพราะอาวิชชานั่นเองทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจิตของเราที่ปรุงแต่งไปก็เพราะว่ามีอวิชชาอาวิชชาคืออะไรความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านี่ทุกข์นะนี่เหตุของทุกข์นะ นี่การดับทุกนานี่ข้อปฏิบัติของการที่นำาปสูการดับทุกนาไม่รู้ว่าจิตที่คิดไปนี่เป็นกิเลสนะไม่รู้ว่าการไปของจิตนั่นเป็นเป็นกิเลสนะไม่รู้ว่าการดับของการไปของจิตที่เป็นที่ไปในอารมณ์ต่างๆนั้นดับได้อย่างไรไม่รู้การดับไม่รู้เขาว่าเป็นผู้ร้ายไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสแล้วเราจะทำได้ยังไงอ่ะจะชนะได้ตรงไหนล่ะ เท่ากับเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยความรู้ของเราเนี่ยความรู้ไม่ถูกต้องนั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติทำว่าถ้าเรามัวตามอย่างนั้นเน่คงจะจบได้ที่ไหนเล่าจิตมันคิดตั้งแต่เราเกิดมาน่ะมันยังไม่ยังไม่จุดเลยเราจะตามมันไปอีกเนี่ยคงจะจะคงจะตามยันตายเราคงจะไม่มีการตั้งมั่นของจิตแน่นอนเพราะการไปไม่ใช่การตั้งมั่นนี่ ถึงแม้ว่าเราจะดับมันชั่วขณะแต่มันก็ไปต่อดับไปมีไปถึงแม้เราไม่ดับมันก็ดับเพราะมันเองอยู่แล้วเพราะว่าลิงน่ยมันเปลี่ยนกิ่งไม้โหนอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วมันไม่ได้จับกิ่งไม้เดิมหรอกมันก็โหนไปเรื่อยก็ปล่อยกิ่งนี้คว้ากิ่งโน้นไปเลยจิตมันก็คว้าอารมณ์ไปเรื่อยด้วยเนี่ยยังมองเขาว่าเปลี่ยนกิ่งนั้นเป็นว่าเกิดดับเป็นกลายเป็นธรรมะเสะอีก เพราะความอะไรเพราะความไม่เข้าใจเพราะความไม่เข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อย่างนี้จะชนะได้อย่างไรทีนี้ว่าเรามาเรียนรู้ว่าขบวนการของการเกิดของอวิชชาที่มีอยู่นี้เพราะอะไรทำยังไงเราจะละได้ก็อย่างที่บอกว่าหนึ่ง ได้ฟังธรรมของอหนึ่งก็คือนั่งใกล้สตบุรุษก็คือคบสตบุรุษทั้งหลายาสับปริสสะสังเสวะคือเสวนาหรือการครบค้าสมาคมกับผู้รู้อยู่เสมอนั่นเองสองฟังธรรมได้รับการฟังธรรมแนะนํากมาจากท่านทำให้มีการทำไว้ในใจโยนิโสมนาสีการ ก็คือทำไว้ในใจที่เคยบอกไว้เสมอว่าการทำไว้ในใจนี้ที่ทางที่ถูกต้องเนี่ยเราเดินถูกทุกอย่างก็ต้องถูกเราเดินผิดทุกอย่างก็ต้องผิดแล้วเวลาผิดแล้วมันเสียเวลาเสียเวลากว่าการที่เราทุ่มเทลงไปแต่ผลที่ได้รับนั้น ผลของการได้รับนั้นไม่ดีเลยฉะนั้นการที่เราทุ่มเทอะไรไปสักอย่างหนึ่งแต่การทุ่มเทของเราเนี่ยไม่มีผลอะไรคืบหน้าเราทุ่มเทไปได้ไปแล้วเนี่ยเราเสียเวลาเหลือเกินเราจะต้องมารู้ว่ า, าผู้รู้ทั้งหลายท่านชี้แจงอย่างไร ก็มาไล่ตามลําดับนะว่าสังโยชน์ทั้งหมดเนี่ยเราจะละได้อย่างไรเหตุของการเข้าสู่พระโสดาบันหรือโสตาปิยังคะปฏิปทาที่นําไปสู่การเป็นพระโสดาบันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนั่นหมายถึงว่าการจัดระดับของพระยาเจ้าทีเดียวเราจะต้องเข้าไปในกระแสของพระยาเจ้านี้ให้ได้การไปของพระยาเจ้าต้องแม่นยํา ไม่งั้นแล้วไ ม, ไม่ตรงประตูแล้วเราจะเข้าประตูไม่ถูกก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลของการเข้าสู่พระอริยเจ้าได้เลยทีนี้ว่า <c oughs> เราเคยทาสมาธิมาการก่อนแล้วนี่ว่าสมาธิที่เราทากันไปเนี่ยก็คือการทำจิตให้นิ่งการนิ่งของจิตนั้น ถึงแม้ว่าเราจะทำได้อยู่ถ้าเกิดว่าคนนั้นพยายากใช้ความเพียรอยู่เสมอก็สามารถทำให้จิตนิ่งได้แต่การนิ่งของจิตนั้นเมื่อนิ่งไปแล้วเนี่ยเราแค่ไปหลบลีหนีอารมณ์ไปหลบอยู่ในในสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิทุกอย่างก็ฟื้นคืนชีพ อารมณ์ต่างๆก็ตามติดมาทุกอย่างที่มีอยู่ก็มีมือยู่เหมือนเดิมอันนี้เคยพูดหลายครั้งว่าการทำสมาธินี้ไม่ได้เป็นการทำลายกิเลสเลยเป็นเพียงแต่ว่าเราหลบกิเลสหลบไปแล้วเราไปอยู่ที่ที่หนึ่งแต่แล้วการหลบของเราเนี่ยก็ย้อนมาสู่ที่เดิมอีกเท่ากับว่าการหลบของเราเนี่ย เป็นการหลบที่ต้องกลับมาหาเขาอีกเหมือนเราเข้าไปในถ้ำแต่ถ้านั้นตันกิเลสก็เลยบอกว่าเราไม่เข้าไปนะเพราะเราเราไม่เข้าไปไม่ได้แต่เราจะรออยู่ปากถ้านี่แหละเมื่อรออยู่ตรงนั้นกิเลสเขาฉลาดกว่าเรานะเขาไม่เข้าไปหลอกสมาธินะ่ะเขารออยู่ปากถ้าเพราะเขาบอกว่า รอตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ออกมาเองออกมาแล้วจะทําร้ายให้ดูนะจิตเนี่ยเวลาเราเข้าไปในสมาธิเนี่ยเขาไม่ตามไปหรอกเพราะเขารู้ว่ายังไงยังไงก็กลับมาลูนี้แหละอะ่มามามาทางนี้แหละยังไงรออยู่ปากถ้ำนี่แหละยังไงก็ต้องเจอเราก็จริงอย่างเา้าเขาเนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาฉลาดอ่าเราเข้าไปในสมาธิ เราก็ตายใจว่าโอ้ที่นี่สงบนะที่นี่เย็นนะเราไปเย็นอยู่ในนั้นสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยกิเลสก็ลุมทำร้ายเราหัวล่างข้างแตกว่างกันเถอะลุมทำร้ายเราอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นรอเราอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้เข้าไปก็จริงแต่เขาก็มาหนีเราเลยเขารออยู่กลายเป็นว่า เราทาสมาธิไปเนี่ยหนีเขาไม่รอดเขาฉลาดกว่าเขาไม่ได้เข้าไปเขารู้ทางออกของเราว่ายังไงก็ต้องออกมาทางเส้นเดิมนี่แหละเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้านี้ต้องตันหาทางออกอื่นไม่ได้แน่นอนต้องออกทางเดียวนี้เท่านั้นจึงรออยู่ที่ปากถ้าก็จริงดังนั้นแหละเวลาทําสมาธิเราเห็นไหมว่าเข้าไปนานแค่ไหนก็ตาม ออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตรงที่เราพักจิตเท่านั้นเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ใชเลยนะประโยชน์ก็คือที่เราเป็นที่พักจิตทําให้จิตเราได้ผ่อนคลายก็คือว่าการที่เราทําสมาธิอยู่อย่างเดิมนั้นเราไม่ก้าวหน้าแน่นอน เพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยแค่เราหลบหลบไปพักอยู่แต่การหลบของเราเนี่ยยังไม่ได้ทำลายกิเลสอะไรเลยหลบเขาอย่างไรก็เจอเขาอยู่ดีเวลาหลบเขาเป็นสมาธิเขาไม่ได้ตามไปก็ตายใจว่าเขาไม่มาแล้วเขาหมดแล้วแต่ออกสมาธิมาก็เจอเขาอย่างเดิมมันจะหมดได้อย่างไร แล้วคนคนนั้นเน่ยก็ทำวิธีอย่างนั้นซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากหวังว่าทำมากเท่าไหร่กิเลสมันจะมอดไหม้ไปเองแต่รู้ไหมว่าเขาฉลาดมากยังไงก็ไม่ไห ม, ม, ม้ไม่หมดยังไงก็ไม่มอดไปเลยเขาก็ยังมีเหมือนเดิมทั้นสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มากกว่านั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเสียเวลา เสียเวลาเพราะอะไรเพราะทำแล้วก็วนไปวนมาทำยังไงก็ไม่เป็นยังไงทำยังไงก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ได้กมากกว่านั้นก็ไม่ได้สมาธิจะมากกว่านั้นก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าออกมาอารมณ์ก็หลุมเล้าเมื่อลุมเลาแล้วตัวเองก็ชงรงสุดซุดชงชงสุดๆุดถ้าเกิดว่าไม่ทำให้บ่อยเราก็เสื่อมขนาดทำบ่อยๆแล้วมันยังมันยังคอยจะ ค, คอยเสื่อมเพราะอะไร พอเวลาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะดึงเราไม่ให้เข้าแล้วก็จิตเราเนี่ยหนีเขาไม่ค่อยหลอดอเขาเรียกว่ า, าทาสมาธิเนี่ยสมาธิที่ทานี้เขาเรียกว่าฌานฌ า, านนี่เองทำให้เราเนี่ยวนไปวนมาหรือฌานที่เราเรียกว่าฌานโลกีนั่นเองฌ า, านโลกีแปลว่ า, าสมาธิโลกนะ ฌานโลกโลกฌานโลกีเนี่ยโลกียะจะเป็นโลกุตระไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงคำสอนที่แท้จริงของพระเจ้าการที่เรามีฌานขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าถึงธรรมแล้วนะยังไม่ได้เข้าเลยนะเพราะสมาธินี้เป็นสมาธินอกอ่านอกจากคำสอนพูะเจ้า ยังไม่ได้เข้าถึงคำสอนที่แท้จริงเลยยังอยู่นอกนอกจูงแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยเราจะคิดว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะสมาธิที่ว่านี้ที่ว่าเราทำกันเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วมีประจำโลกเราต้องรู้ว่าสมาธิโลกนี้เป็นอย่างไรสมาธิของพุทธเจ้านี้เป็นอย่างไร ถ้าเกิดว่าเราทำสมาธินี้อยู่ล่าไปความเป็นพุทธของเรายัางไม่เป็นเลยนะเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะความว่าเป็นพุท ธ, ธเนี่ยเรายัางไม่มีเลยสมาธินี้พุท ธ, ธใช่ไหมไม่ใช่เลยสมาธินี้ยังเป็นโลกียะอยู่ก็คือเป็นสมาธิประจำโลกอย่างที่บอกว่าสมาธินี้มีก่อนพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพุท ธ, ธได้อย่างไร เพราะความเป็นพุทธะหรือสมาธิแบบพุทธเจ้าเนี่ยจะมีการเมื่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วค้นคว้าได้แต่สมาธิที่เราทําเนี่ยเป็นสมาธิมีประจําโลกแล้วออันนี้ชัดเจนว่าเราทํานี้ไม่ได้ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้านะยังเป็นนอกคําสอนอยู่เราจะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยอตอนที่ท่านเป็นราชกุมาร พระ อ, องค์ทรงรมปฐมฌานได้ต้นได้ต้นว่าแต่ความเป็นพู้เจ้าก็ยังไม่เกิดหลังจากนั้นออกพนวดแล้วเนี่ยไปเรียนอาราัดาบทอทุกกดาบทก็สามารถที่จะทำสมาธิขั้นถึงสูงสุดของสมาธิโลกีก็คือเนวะสัญญานานสัญ ญ, ญ, ญายตนะก็คือสมาธิอรูปฌานที่8นั่นเองแต่ท่านก็กล่าวว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุก นี่ไม่ใช่ทางถูกต้องเราจะเห็นไม่ว่าความเป็นผู้เจ้าก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดแสดงว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดเนี่ยความเป็นพุทธะยังไม่ใช่เลยยังไม่มีเลยเราจะต้องรู้จากความเป็นพุทธะนั้นอีกทีหนึ่งก่อนถึงจะเป็นความเป็นพุทธ ะ, ะเป็นพุทธะที่แท้จริงงั้นการประพฤติปฏิบัติของเราที่เราทำกันอยู่นี้เนี่ย ถึงแม้ล่เราจะปฏิญาณตนว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่ความเป็นพุทธของเรายัางไม่เป็นนะถึงแม้ว่าเราจะได้ฌานมาแล้วเนี่ยถึงคนนั้นจะเป็นนักบวชเช่นพระก็ตามยังไม่เป็นเลยความเป็นพุทธยังไม่เป็นพระเลยว่างั้นเถอะความเป็นพระยังไม่ได้บริบูรณ์เลยเพียงแต่ว่าสมาธินี้ยังเป็นสมาธิโลกีอยู่แล้วก็มีมานานแล้วแต่เราไม่รู้จัก เมื่อสมาธิเกิดก็ดีใจว่าเราได้สมาธิแต่ได้ดันก็รักษายากเหลือเกินนะเพราะสมาธิคอยจะเสื่อมอยู่เรื่อยเราจะต้องทนุถนอมการกระทำของเราอยู่เนืองนิดทีนี้ว่าการที่เราจะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าการกระทำของเราเนี่ยถูกต้องได้อย่างไร อะไรหนอะเป็นการปูทางไปสู่ความเป็นพุทธะได้ก็คือว่าเรายังไม่ได้ชี้แนะเรายังไม่ได้รับการชี้แนะของผู้รู้ทั้งหลายว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่ามัวแต่ทำสมาธิด้านเดียวก็เลยว่ารู้แต่แค่นั้นว่าจะต้องเข้าสมาธิออกสมาธิเสมอแต่ไม่ใช้ปัญญาพิิพิจารณาว่า ทำไมเราเข้าสมาธิเนี่ยสงบดีเราก็ชอบใจแต่ทําไมเราออกจากสมาธิแล้วจิตทําไมเราของเราต้องมีอารมณ์ขึ้นมาอีกอารมณ์เหล่านั้นเกิดจากอะไรทําไมไม่วิเคราะห์เล่ามัวแต่จะหลบหนีเขาอย่างเดียวทําไมไม่หันหน้าเข้าไปหาเขาแล้วศึกษาเขาให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรมัวแต่ว่าจะหนีเขาถ่ายเดียวเราหนีเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วทำไมไม่หันหน้าเขาไปหาเขาแล้วศึกษาเขาให้จงแจ้งแล้วแก้ไขสิการหนีนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นการหนีปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่เคยหนีจากเราเลยเราหนีเขาแทนที่เขาจะหนีเอ่อเราหนีเขาได้เอ่อรอดได้ แต่ก็หนีเขาไม่รอดอยู่ดีและเราจะหนีไปทําไมการหนีของเรานั่นไม่ใช่การไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาปัญญาของเราไม่มีเลยเข้าไปวิเคราอจะหนีตะพติอย่างเดียวฉะนั้นเวลาทําสมาธิเนี่ยคนจะหนีอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ไม่เคยรอดเขาเลยหนีไม่รอด ทำไมไม่หาทางแก้ไขเราเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้แนะนาจากสัตบุตรไม่เข้าใจในเหตุเพราะผลไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไรมัวแต่จะหนีเขาแต่เขาก็ไม่เคยให้เรารอดมือจากเขาเลยไม่ไม่ลอดเนื้อมือของเขาเลยเราหนีเขาไม่ได้ไม่ลอดอยู่แล้วเน่ แล้วจะรอดได้อย่างไรลรอมีดำซ้ำทมสมาธิออกมาแล้วอยากหนีเขาก็หนีเวลาอยากตามเขาก็ตามเขาอีกทั้งหนีทั้งตามเด่ะนี้เมื่อออกมาแล้วก็หนีเขาเมื่อไม่รอดก็ตามเขาเสเลยตามตรงไหนล่ะตามดูตามรู้ไงตามดูจิตมันคิดอะไรตามดูตามรู้ตามมันไปหนีไม่ได้ก็ตามเสเลยดีกว่าว่างอันเถอะตามไหนตามผู้ลายไปนั่นแหละ ยังไม่รู้ว่าคนนั้นคือผู้ลายกายบอกว่าเนี่ยดูที่จิตเนี่ยมันเกิดมันดับนี่มันเป็นอนัตตานะเกิดขึ้นตั้งดูดับไปนี่คําสอนเป๊ะเลยตรงใจรักเลยคิดว่านั่นเป็นธรรมะใชอีกทําไมคิดอย่างนั้นนะ่ะคิดอย่างนั้นจะถูกไหมล่ะเมื่อหนีเขาไม่ได้ก็ตามเขาไปเดี๋ยวหนีเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวหนีที่แท้ไอ้ตามกับหนีนั่นะคือกิเลสทั้งนั้นก็คือผู้ไร้ดีดีนี่เอง แล้วยังไงก็ไม่รอดจะเป็นธรรมะได้อย่างไรเราเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจการเข้าใจไม่ได้มีเลยตรงนั้นก็เลยว่าเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่เข้าถึงทำไมไม่เข้าใจเพราะไม่ฟังธรรมทำไมไม่ไปฟังธรรมเพราะไม่นั่งใกล้สัตรบรุตาผู้รู้ทั้งหลายว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้นั่นเอง ทีนี้ล่ะเรามาฟังธรรมก่อนซิว่าท่านกล่าวว่าอย่างไรอ่าเราจะมารู้ว่าทางหนีที่ไล่ได้อย่างไรท่านกล่าวว่าการที่เราเข้าสมาธินั้นแหละเราไม่ได้ดับเขาหรอกแต่เขาเราหนีเขาหนีเขาไปแต่ว่าเราหนีไม่รอดต้องกลับมาทางเดิมก็มาเจอเขาอีกเมื่อเจอไปเจอมาหนีไม่รอดก็ตามเขาซะเลยเนี่ยมันจะถูกได้อย่างไร เมื่อก่อนเราก็ตามเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเขาก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาสังเกตว่าเขาไปยังไงแต่การกระทำของเขาก็เป็นอย่างเดิมนั่นเองเราตามดูก็หรือก็ดีหรือไม่ตามดูก็ดีการไปของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเองเมื่อก่อนเราไม่ได้ตามเขาก็ไปแบบนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตาม แล้วตอนตอนนี้เราตามดูก็ไปอย่างนี้แหละอย่างเมื่อก่อนนั่นแหละอย่างที่เราไม่ไม่ได้ดูนั่นแหละมันต่างตูงที่ตามหรือไม่ตามเ ท, ท่านั้นเองตามดูเท่านั้นเองแต่การไปของจิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปอย่างเดิมนั่นแหละเพียงแต่เรารู้เมื่อก่อนเราไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้แต่การไปของจิตก็มีอยู่นั่นเองในเมื่อเราลังเกียจว่าการไปของจิตนี้นำมาซึ่งความไม่สงบ แล้วเราก็ส่งเสริมเขาสิถ้าไปอย่างนั้นเท่ากับว่าเขาไปอยู่แล้วก็เลยตามเขาไปก็เหมือนส่งเสริมการไปของเขาขึ้นมาอีกแล้วจะหวังว่าตัวเองจะพ้นทุกเนี่ยจะพ้นทุกได้อย่างไรอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่ า, าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจไม่ได้เราเข้าใจไม่ถูกก็เลยเป็นที่มาของความไม่ถูกต้องมันเสียเวลานะ คือการกระทําอันใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วไม่ถูกต้องเสียเวลาเพราะชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับว่าไหม้ลงไปไหม้ลงไปเหมือนกับเทียนที่ไหม้ตัวมันเองละลายตัวมันเองไหม้ลงไปมันสั้นเข้าไปสั้นสั้ น, นเข้าไปมันจะหมดแล้วอ่ะจะหมดแท่งแล้ว่ทุกวันนี้ทีนี้ว่าวิธีแก้เรื่องนี้ก็คือแก้ได้อย่างไร เป็นอันว่าอาการไปของจิตนั้นเป็นกิเลสหมดเลยผู้เจ้าท่านกล่าวแต่เราไปตามนี่เราขัดแย้งกับผู้เจ้านะผู้เจ้าว่านั่นคือกิเลสแต่เราตามตามเขาไปต้อยๆ ย, ยังไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสเลยคือไม่ถูกนะความเห็นของเราไม่ถูกเพราะว่าเราตามนั่นแหละเราไม่เข้าใจคือเราไม่เข้าใจความเป็นกิเลสของคนเราก็เลยตามเขาไป ฉะนั้นเมื่อการเามื่อการนั่งใกล้เมื่อการฟังธรรมเกิดขึ้นท่านกล่าวถึงการฟังธรรมว่าเามื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยเราจะรู้ธรรมะของพระเจ้าได้โดยการที่ว่าท่านต้องชี้แจงให้เราว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรชี้แจงอย่างไรเราสังเกตไหมว่า จิตของคนเราที่ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยการไปของจิตเนี่ยไม่มีจบสิ้นแน่นอนเพราะโลกมันกว้างโลกกว้างจิตนี้กระโดดโลดแล่นอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันกว้างพอที่มันจะโลดแล่นไปอย่างไม่จบจนถึงเราตายมันก็จบไม่ลงเพราะอะไรเพราะมันกว้างพอที่จะสนุกสนานโลดแล่นไปในโลกนี้อย่างสบาย การที่เราปล่อยจิตไปนั่นก็คือปัญหาของเราก็คือเราหลงโลกเ ร, เราเราเกี่ยวพันกับโลกเราไปตามกระแสโลกการที่เราจะมาพื้ปฏิบัติวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องออกจากโลกออกจากความเป็นโลกก็คือพยายามจะทำจิตของเรานี้ออกจากอารมณ์ของโลกนั่นเองอารมณ์ของโลกนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็คืออารมณ์ของที่ รูปรถกิดเสียงโพธาพะธรรมรมต่างๆาจิตใจของเราเลยไปแล้วก็ไปไม่จบไปมาแต่ไหนแต่ไหลแล้วการไปของจิตนั่นเองเป็นกิเลสทั้งสิ้นเราจะตามเขาทำไมล่ะทางที่ดีเราต้องค้นหาว่าจิตที่มันไปทั้งหมดเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรเราลองนึกถามตัวเองที่ว่าเราจะตอบได้ไหมว่า กิตที่มันไปในอารมณ์ต่างๆทุกวันทุกวันเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นมาจากไหนไหนใครใครลองนึกถามตัวเองแล้วนึกตอบดูที่ว่าจะถูกไหมอารมณ์ที่มันคิดไม่ไม่หมดเนี่ยคิดไม่จบเนี่ยมากมายเนี่ยถ้าเราถามตัวเองว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนใครตอบได้บ้างอะ่ะ ตอบยากเลยแล้วอารมณ์เหล่านี้จะดับได้อย่างไรตอบได้ไหมมาจากไหนดับได้อย่างไรวิธีปฏิบัติที่ถึงความดับจะเดินไปทางไหนตอบได้ไหมมาจากไหนดับได้อย่างไรวิธีปฏิบัติจะเข้าถึงการดับนั้นปฏิบัติแบบไหน สามอย่างไม่รู้การไม่รู้สามอย่างนี้เท่ากับไม่รู้ยถาสี่นะความจริงยถสี่นี้มีสี่นะก็คือที่แรกเป็นทุกข์ไงจิตที่คิดไปเนี่ยมันเป็นทุกข์นะทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมล่ะเวลาเราทำสมาธิมันไปนูน่นไปนี่ไปนูน่นมันนี่ทุกข์มากมันไปนะมันทุกข์ แต่ตมาลัดออกข้อที่สองเลยแค่สี่ข้อถามสามข้อยังไม่ได้ถ้าถามสี่ข้อจะได้หรือ <c oughs> ฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่รู้อายสศัตรีเลยการไม่รู้อายสศัตรีนั่นแหละเขาชื่อว่าอาวิชานะการรู้อายะศัตรีนั่นเองชื่อว่าวิชาฉะนั้นวิชาก็คือการรู้แจ้งอายะศัตรี อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยศาสตร์นั่นเองในเมื่อความคิดนี้เป็นความทุกข์แต่ฉะนัหนเลยคนบางคนตามความคิดทั้งวันเลยและตามทุกข์ไหมล่ะอันเดียวกันนะความจริงความคิดคือความทุกข์แต่ไปตามความทุกข์อีกเขาไม่ได้ให้ตามความทุกข์เนี่ยเขาบอกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์นด้ควรละเสีย การดับทุกข์ควรทําให้แจ้งข้อปฏิบัติที่นําประสู่การดับทุกข์ควรให้เจริญยสัสสีมีอย่างนั้นนะไม่ใช่ตามนะไม่ใช่ตามมาทุกข์น่าควรดับนะไม่ใช่ตามนี่เราไปตามนะแล้วมันจะดับได้ตรงไหนล่ะแสดงว่าเราผิดหมดเลยการตามไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างที่บอกว่าจิตตามไม่ได้หรอกตามแล้วเราจะเสียเลยเสียเวลา อาจจะเสียเวลาจะด้านการที่เราจะเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงมีการเข้าใจไงล่ะตอบให้ก็ได้นะว่าจิตที่คิดทั้งหมดเนี่ยคือทุกข์นะแต่ทำไมบางคนบอกว่าไม่เห็นทุกข์เลยหรือบางคนบอกว่าไม่เห็นทุกข์แล้วยังไม่พอตา ม, มันอีกนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นทุกข์เลย เมื่อเขาไม่เห็นทุกโดยความเป็นทุกไม่เห็นผู้ร้ายโดยความเป็นผู้ร้ายเขาจะฆ่าผู้ร้ายได้อย่างไรเขาจะดับทุกได้หนทางที่จะนำไปทุกการดับทุกจะมีหน้าที่ไหนเมื่อตัวเองยังไม่รู้ว่านั่นคือทุกการดับทุกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแค่นี้ก็สอบตกแล้วไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทาอยู่นั้นคือทุก ว่าจิตจิตปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันทุกข์นะแต่ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์เท่ากับว่าตัวเองไม่รู้ทุกข์นั่นเองเมื่อไม่รู้ทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าความปรุงแต่งหรืออารมณ์ของจิตทั้งหมดที่มันคิดมาอยู่ทั้งวันเนี่ยมาจากไหนอตอบให้ก็ได้นะมาจากการยึดมั่นตัวเรานี่เองคือ มีฉันทรลาคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่รู้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมเขาก็ไม่รู้การที่ความคิดที่คิดไปไม่จบหรือคิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่เหือดแห้งเลยเนี่ยความคิดเหล่านั้นมาจากอะไรที่บอกว่าถามแล้วตอบได้ไหมเนี่ยมาจากไหนอะ อตอบให้นะว่ามาจากฉันทราคะในตัวเราหรือเรียกทั่วไปที่เขาเรียกคืออุปทานขันห้าหรือยึดมั่นตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนนั่นแหละการยึดมั่นตัวเรานั่นเนี่ยเป็นที่มาของอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ที่ไหลไปไม่หยุดตลอดเวลาเนี่ยมาจากตรงนี้เป็นต้นกำเนิดของเขาก็คือความยินดีในตัวเองนั่นเอง ความยินดีในตัวเองนั่นเองจึงเป็นที่มาของอารมณ์ทั้งหมดความยินดีในตัวเองนั่นเองเป็นสาเหตุของอารมณ์ทั้งหมดแสดงว่าเรามีอารมณ์มากมายขนะนี้เนี่ยแสดงว่ามาจากเรายินดีในตัวเองนั่นเองแต่ขั้นเราไปทำสมาธิอยู่เนี่ยมันจะทำลายความยินดีได้ยังไงอ่ะโมัวแต่นิ่งอย่างเดียวตัวเองไม่ได้สนใจ ตัวเองในที่นี้ก็คือร่างกายนี้นั่นเองยึดร่างอันนี้เป็นตัวตนยึดร่างอันนี้เป็นของที่น่ายินดีนั่นเองเขาเรียกว่าฉันทลาคะการที่เรายึดมั่นร่างกายนี้ยินดีในร่างกายนี้เป็นสาเหตุทาให้จิตของเรานี้ไหลไปสู่อารมณ์ของโลกไม่จบสิน้นถ้าคนนั้นบอกว่าทำยังไงเราจะให้อารมณ์เหล่านี้เหือดแห้งได้ ดับได้อย่างไรทำให้หมดได้อย่างไรอยากจะหมดไหมละ่ะอยากจะหมดใช่ไหมละ่ะแต่ไม่รู้ทางที่จะทำให้หมดดับนะความดับนะดับได้อย่างไรอารมณ์เหล่านี้ตัวเองไม่รู้ขั้นไม่รู้จะไปได้อย่างไรละ่ะการดับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราจะให้ความคิดเหล่านี้เหือดแห้งไปก็ดีให้ดับไปก็ดีให้ไม่เหลือเลยก็ดีมีทางเดียวก็คือ ทำลายฉันทราคะในตัวเราเสียสิเพราะมันมีฉันทราคะอยู่ฉันทราคะแปลว่าฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดียินดีและพอใจตัวเรานั่นเองเป็นสาเหตุของการไหลไปของจิตคือเราจะค้นหาสมูทฐานของของอารมณ์ของเราว่ามาจากไหนเมื่อก่อนเราทําสมาธิจะหนีเขาอย่างเดียว ไม่ได้ค้นหาว่าเขาเนี่ยมาจากไหนเห็นหน้าก็จะหนีเห็นหน้าเขาก็จะหนีหนีเข้าไปในสมาธิดีไม่ดีหนีเขาไม่รอดก็ตามก้นเขาะเลยตามบ้างหนีบ้างอยู่งั้นแหละแล้วไม่ค้นหาเลยว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากไหนเล่าทำไมไม่คน้นเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาทำไมไม่มีปัญญาเพราะไม่ได้ฟังธรรม ทำไมไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่นั่งใกล้ผู้รู้มันก็มีสาเหตุของมันนะเพราะมีมีปัญญาเพราะไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้นั่งใกล้ผู้รู้เมื่อการนั่งใกล้ผู้รู้ย่อมฟังธรรมเมื่อย่อมฟังก็ย่อมเข้าใจเมื่อเข้าใจก็ต้องมีปัญญานั่นเองเขาเรียกว่าสุตตะมัญญะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังธรรม ทีนี้เมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนละอ๋อเข้าใจละเข้าใจแล้วว่าอ๋อไม่น่าความคิดของเราในคิดไปทุกมันทั้งวันมาจากการยินดีในตัวเองนี่เหลอการไปของจิตเป็นทุกข์การไปของจิตนั้นมาจากการยึดมั่นตัวเราเป็นตัวตนยินดีในตัวเราการที่เราจะให้ความคิดเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้เหือดแห้งไปดับไปสิ้นไปก็คือ ให้เราเบื่อหน่ายร่างกายเราซะคือกำจัดฉันทรลาคะอันเดียวกันนะกำจัดฉันทรลาคะก็คือทำลายความยินดีนั้นซะก็ให้เบื่อหน่ายนั่นเองทำลายความยินดีก็คือให้เบื่อหน่ายตัวเราซะนั่นคืออุบายออกจากทุกนี้หรือการดับทุกนี้และมักมีองแปดนี่เองเป็นหนทางที่นำไปสู่การดับคือข้อปฏิบัติทีนี้เรารู้แล้วนี่ว่า เราได้ฟังทำแล้วเราได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยหนีเขาอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้ศึกษาว่าเขามาจากไหนมีหน้ามาถึงดับไม่ได้เมื่อดับไม่ได้บางครั้งก็หนีบ้างบางครัง้งก็ตามก้นเขาไปบ้างแล้วแต่ว่ามันจะจะอยู่ในภาวะใดเราก็กลายว่าเป็นผู้ไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุของทุกไม่รู้การดับทุก ไม่รู้ปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ก็คืออวิชชาอยู่นั่นเองอวิชชาคือความไม่รู้สี่อย่างนี้ก็ครอบงำอยู่คนนั้นอยู่ล่ำไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจของเราไหลไปไม่หยุดที่จะไหลก็ไหลต่อไปที่ไหลแล้วก็ไหลต่อไปจะหยุดได้อย่างไรต่อดีไม่ดีตามเขาไปอีกมันก็ไหลใหญ่สิเพราะอยู่ๆไม่ตามมันก็ไหลอยู่แล้วมันก็ไปอยู่แล้วเพราะความไม่รู้ของเรา ทีนี้เื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อความจริงแล้วเพราะรู้จากการฟังธรรมนี่เองว่าความคิดทั้งมวลเนี่ยมาจากการยินดีในตัวเองนั่นเองความยินดีในตัวเองนั่นเองเป็นที่มาของทุกทั้งมวลแล้วการออกเรื่องการออกการหาทางออกเรื่องนี้ก็คือการทำลายความยินดีในตัวเองซะก็คือให้เบื่อหน่ายตัวเองซะมีทางเดียวก็คือการแก้เรื่องนี้ก็คือ ให้เบื่อหน่ายตัวเองให้ได้แล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างออยอย่่าางงถูกต้องทํายังไงจะให้เบื่อหน่ายมีทางเดียวก็คือน้อมจิตมาดูตัวเราให้เห็นแจ้งขึ้นมาสิเราจะเบื่อหน่ายแต่เราไม่เห็นแจ้งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะก็ต้องมีการเมื่อจะเห็นแจ้งก็ต้องมีการอบรมขึ้นมาก่อน การอบรมนั้นจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าการทําสมาธิตามกรรมฐานที่ถูกต้องต้องทําอย่างนี้มัวแต่ทาสมาธิตะพืชอย่างเดียวมันไปไม่รอดนะไม่รอดลองทําดูสิแล้วเสียเวลาความจริงเราก็ต้องได้อยากได้สมาธินั่นแหละแต่ว่ามันได้ไม่ได้นะ่ะเพราะออกมาแล้วมันวุ่นวายนะ่ะการวุ่นวายนั้นเราก็หนีไปสู่สมาธิเพื่อจะหนีเขารอด แต่หนีอย่างไรก็ไม่หลอดหนีเขาไม่ได้แล้วเราจะหนีทำไมเล่าหันหน้าเข้าไปหาเขาดีกว่าศึกษาเข้าไปว่าเขามาจากไหนอย่างไรจะดีกว่าไหมก็เป็นที่มาของการที่เราจะต้องทำปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นไปก็คือองค์มรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องอบรมจิตนี้กลับด้านกันกลับด้านกันก็คือว่าธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ย ปล่อยให้จิตไหลไปสู่กระแสโลกตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเราก็ปล่อยใจประยุงนั่นแหละปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปจนถึงวันนี้ะจิตเราอยู่ข้างนอกหมเลยเพราะอะไรเพราะเราไหลไ ป, ไปตามกระแสของโลกการไหลไปสู่กระแสของโลกอยู่ตลอดเวลานั่นเองทําให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะเดิมๆของเรานั้นตลอดไป ทีนี้ทางนั้นคือทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าคือทางที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองอ่าก็คือมัสมีองแปดเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามัคหรือมิจฉะธรรมมาธรรมที่เป็นมิจฉาคือมิจฉาแปลว่าผิดนะแสดงว่าเราปล่อยใจไปทุกวันนี้ก็เป็นมัหมือนกันแหละแปดข้อเหมือนกันแต่มันเป็นมิจฉามัคมิจฉามัค ก, ก็คือทางผิด ปล่อยไปแล้วมันก็ไม่จบมันก็คิดไปเรื่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่ว่าเราต้องเดินทางย้อนสอนย้อนกระแสเขาก็คือสัมมามักมักที่ถูกก็คือมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรสัมมาแปลว่าถูกทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นที่ถูกอะไรคือความเห็นถูกเล่าความเห็นถูกว่า ทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่นำสู่การดับทุกอย่างนี้นั่นเองเขาเรียกว่าความเห็นชอบอย่างที่บอกวาอ่าจิตของเรานี่คิดไปเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นทุกนะรู้แต่รู้รู้ไหมว่าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยมันมาการไปของจิตที่จิตไปเนี่ยมันมาจากไหนอะ อารมณ์เหล่า น, นั้นมาจากการยึดมั่นตัวเราใช่ไหมล่ะถ้ารู้อย่างนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐินะถ้าไม่รู้อย่างนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐินะรู้ว่าอารมณ์ทั้งหมดมาจากการยึดมั่นตัวเราถ้าเราจะให้อารมณ์ทั้งหมดเหงือดแห้งไปมีทางเดียวคือเบื่อหน่ายตัวเราซะเบื่อหน่ายตัวเราซะได้อย่างไรก็ทำให้แจ้งออกมามันมืดอนะ่ะมันไม่เห็นก็ต้องอบรมให้แจ้งก่อน และวิธีปฏิบัติก็คือต้องปฏิบัติคือพาจิตย้อนสอนไม่ตามไปกระแสะโลกไม่ตามไปทางเดิมของโลกย้อนสอนมาทางตัวเราให้ได้ให้ได้นั่นคือหนทางออกจากทุกนี้วิธีปฏิบัติก็คือว่าทางโลกเนี่ยเขาปล่อยจิตออกไปข้างนอกเราอย่าปล่อยถ้าปล่อยไปเท่ากับว่าเราก็ไปสู่ที่เดิมของเราอีก เราก็ลังเกียดแล้วเราก็บ่นแล้วว่ามันทุกยิ่งตามจิตยิ่งแล้วใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยมันผิดหมดนะไม่ถูกนะอย่างนั้นเขาจะไม่ตามจิตไปแล้วก็ไม่ปล่อยจิตไปเลยอ่าแล้วเขาก็ไม่ทำสมาธิที่เราเคยทำนั้นเพราะเข้าไปก็ตันอยู่แค่นั้นเข้าไปทำไมเสียเวลามีปัญญาบ้างสิ เมื่อเข้าแล้วมันวนไปวนมาจะเข้าไปทำไมล้วนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราดูทำไมดูเพื่อจะเบื่อหน่ายดูทำไมเบื่อหน่ายแล้วเ ร, เราไม่เห็นตัวเราก็ทำให้แจ้งออกมาก่อนมันยังไม่แจ้งมันยังไม่ชัดก็มีการที่จะต้องอบรมขึ้นมาอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าให้เราเห็นแจ้งออกมาทีนี้ว่า เรายังไม่เห็นตัวเองเลยเลยหรือยังไม่เห็นมันยังไม่แจ้งมันยังไม่ปรากฏออกมามันเป็นของมืดอยู่เราก็ต้องอบรมให้มาให้ให้ตัวเองขึ้นมาทีนี้อบรมอย่างไรอบรมก็คือการพิจารณาตัวเร า, เราตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้านั่นเองเจตนาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายจะได้อะไร เพื่อให้จิตของเราเนี้เหือดแห้งต่อโลกเหือดแห้งแล้วต่อโลกแล้วเราจะได้อะไรได้ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรผุดหลุดพ้นจากสังโยชน์สิบนั้นหลุดพ้นแล้วจะได้อะไรได้นิพานนิพานเป็นจุดสูงสุดของจุดหมายที่เราจะต้องไป อันนี้แหละเราต้องไล่ไปนะว่าเราทำไปเพื่ออะไรอะไรเพื่ออะไรอะไรเพื่ออะไรจนถึงจุดหมายเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การรู้โครงสร้างการรู้แผนผังของงานเราจะทำงานสักชิ้นเนี่ยแผนผังยังไม่ออกมาเนี่ยเราจะทำยังไงมันจะบรรลุผลได้อย่างไรก็ถึงความที่ว่าเราก็มืดมนอนตรการไม่สามารถจะขี้ขายปัญหาได้ ทีนี้ว่าเราเมื่อทำอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็คือว่ามีทางเดียวก็คือทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งจิตมีดวงเดียวมีทางเดียวก็คืออย่าปล่อยจิตออกไปคุมจิตไว้ในตัวเราหัวถึงเท้าพอเราจะย่อโลกทั้งหมดเนี่ยไม่จิตคิดถึงเรื่องใดย่อให้เหลือคิดถึงตัวเองอย่างเดียวอพิจณาอย่างเดียวแล้วก็ทาให้แจ้งออกมาทาให้ชัดออกมา ทำให้เปิดออกมาให้ได้อย่าอย่าให้มันเป็นของมืดปกติแล้วจิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันมืดนะมองไม่เห็นมองไม่ออกบอกไม่ถูกเราจะเบื่อหน่ายได้อย่างไรมีทางเดียวเขาเรียกว่าทำให้แจ้งก็คือการเกิดจากการอบรมอยู่นั่นเองจึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องอบรมตรงนี้เพื่อละสังโยชน์นั้นก็คือ ผมคนเล็บฟันหนังก็มองกรรมาฐานห้านี่เองพิจ า, ารณากรรมฐานหนี่เองให้เกิดให้มีให้เห็นแจ้งในตนให้ได้ฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นแจ้งจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุผลประการนี้นั่นเองว่าต้องการให้จิตของเราเหือดแห้งต่อโลกนี้ ก็ต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยให้แจ้งให้มีให้เกิดให้มีใ ห, ให้ให้สว่างสวยออกมาทีแรกเราเรานึกตัวเองไม่ได้นึกไม่ออกเราทํำยังไงล่ะทํำยังไงก่อนนึกยังไงก็นึกไม่ได้มองยังไงก็มองไม่เห็นเราเอาตัวอย่างที่อื่นมาก็ได้เขาเรียกว่าสัญญาอบรมสัญญาไว้สัญญาคืออะไร สัญญาคือความที่เราจดจามาจากที่อื่นเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเห็นคนแก่คนเจ็บไหมแล้วเราจาไว้นึกไว้อาศัยภาพเหล่านั้นอาศัยตัวอย่างเหล่านั้นมาบารบตัวเองให้เป็นเช่นนั้นให้เห็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าอุบายการที่เรายกอุบายขึ้นมาตั้งอยู่ในเราเพื่อให้เราเนี่ยปูทางไปสู่การเห็นแจ้ง แล้วการปูด ท, ทางไปสู่การเห็นแจ้งขึ้นมาเพื่อเกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ขายความยินดีเมื่อขายความินดีจิตก็จะหลุดออกจากโลกได้จิตคงถึงจะหยุดต้องการให้จิตนิ่งนั่นเองอเพื่อจุดประสงค์เดียวกันก็คือต้องการหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอารมณ์ของโลกอันนี้แหละที่เรียกว่าโครงสร้างที่เราจะต้องมองให้เห็น เข้าใจให้ได้ว่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นมาให้ได้เพื่อเราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วโครงสร้างอันนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนทําทําไปเราจะต้องมีแผนผังของงานเนี่ยอย่างถูกต้องไม่ใช่วาสักแต่ว่าทําทำทำทำไม่รู้เรื่องเลยว่าทําไปยังไงจะชนะได้อย่างไรมันมัน เขาเรียกว่ามองมาเห็นไม่ได้เนี่ยแล้วจะจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแผนพังของเราก็ออกขึ้นมาว่าการเบื่อหน่ายของตัวเรานั้นต้องทําให้เกิดให้มีก็คือการทําอบรมให้แจ้งขึ้นมาอันที่แรกเราอบรมตัวเองเนี่ยแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันแจ้งยากคือมันมองเห็นยากก็คือหาตัวอย่างมาก่อนอต่อไปเนี่ยการมองตัวเองก็จะเกิดขึ้น เพราะตัวอย่างที่เราอบรมมาอยู่เนืองนิดอบรมมาบ่อยๆแล้วทําให้เกิดเราทําให้เราเนี่ยเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาก็คืออาศัยสัญญามรณะสัญญานึกถึงความตายปฏิกรูณ า, าสัญญาอสุภะสัญญานึกถึงความปฏิกูลอยู่เสมอโดยการจดจําสิ่งต่างๆที่เราเห็นเคยเห็นเคยรู้่นมาไว้ในตนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เขาเรียกว่าหาตัวอย่างหาอุบายขึ้นมาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างที่เคยฟังไว้แล้วอย่างได้อย่างที่เคยบอกไว้แล้วนี่ว่าเมื่อฟังเมื่อคบสตบุทก็มีการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมของท่านก็มีโยนิโสมนสิการทําอุบายไว้ในใจอย่างท่านที่แช่ น, นะอย่างท่านที่ชีนน้แนะไว้ก็คือทําในใจไว้ด้วยอุบาย เช่นว่าเรานึกเห็นเราเห็นคนตายก็สมมุติตัวเองตายเป็นศพอยู่ตลอดวันอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมณสิกานการทําในใจด้วยอุบายเหล่านี้เพราะท่านผู้รู้ท่านแนะนําอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ นี่เองจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกว่าเพราะฟังธรรมนั่นเองเพราะนั่งใกล้สัตรบรุุษนั่นเองจึงมีการฟังธรรมเพราะฟังธรรมนั่นเองจึงมีโยนิโสมณสิการเมื่อโยนิโสมณสิการการปฏิบัติข้องหมาของเราก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นสติปัฏฐานสีก็เป็นอันว่าเราได้อบรมอยู่แล้ว เมื่อเมื่อโยนิโสมีสติปัฏฐานสี่ย่อมมีฉะนั้นสติปัฏฐานสี่คืออะไรคือการพิจารณากายในกายมีสติท่องเที่ยวไปในกายนี้เราไม่เอากายอื่นนะกายนี้มุ่งนิมิตไม่เอาเอากายสดๆของเรานี่เองกายแท้ๆของเรานี่เองเป็นที่ตั้งของจิตถึงจะเป็นสติปัฏฐานสี่ถ้าเราทํา เราเห็นกายอื่นเนี่ยกายตัวเราเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเป็นนิมิตไปเนี่ยมันไม่ใช่กายนี้มันเล่ยล่อนพุทธเจ้าท่านสอนให้กายนี้นะไม่ใช่กายนิมิตอย่างนั้นท่านให้กายจริงๆของเราเนี่ยท่านก็กล่าวไว้แล้วนี่ว่าให้พิสูจ์ทั้งหลายให้เอาจิตพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า<ๆ>ก็คือร่างกายปัจจุบันนั่นเองเป็นอนุลม์ปริโลมก็คือย้อนไปย้อนมา ทีนี้ว่าการพิจารณาของเราเนี่ยเราก็พิจารณามาตามคําแนะนําของสัตบุต ร, รนั่นเองเมื่อพิจารณากายในกายอยู่พิจารณาทั้งนอกภายในด้วยโยนิสโสมนัสิการนั้นอยู่อ่าพิจารณากายภายนอกกายภายในตับไตไส้พุงน้ําเลือดน้ําเหลืองเขาเรียกว่ากายในกายเมื่อเราเห็นกายในกายด้วยอุบายเหล่านั้น ก็จะเห็นความรู้สึกของกายว่ากายนี่มีความสุขบ้างมีความทุกบ้างมีความรู้สึกทางใจว่าใจนี่คิดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเขาเรียกว่าเวทานาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีสุขทุกอะไรก็แล้วแต่เมื่อกายไม่เที่ยงนี้เวทนาหล่นัันความสุขดันจะเที่ยงได้อย่างไร จงเห็นกายในกายจงเห็นเวทนาในเวทนาว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเราไม่เที่ยงเวทนานั้นก็เป็นศักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนานั้นด้วยและเห็นกายในกายนั้นแหละเราก็จะเห็นจิตว่าจิตลาคะจิตมีโทสะจิตมี โ, โมหะจิตอย่างนี้เกิดจากอะไร จิตอย่างนี้จะแก้ได้อย่างไรรู้ความเกิดรู้ความดับแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือแห่งกิเลสเหล่านั้นต้องมีความรู้เขาเรียกเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับของเขาแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือมันจะต้องมีคาว่าดับไม่เหลือด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนแต่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าดับไม่เหลือนี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนั้นไม่ใช่ รู้ความเกิดรู้ความดับแต่รู้ความดับไม่เหลือไม่รู้แล้วจะไปดับทุกได้อย่างไรฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือซึ่งทำนั้นก็คือรู้ว่ามันเกิดอย่างไรแล้วมันจะดับอย่างไรแล้วก็จะดับไม่เหลือได้อย่างไรดับไม่เหลือคือให้มันหมดไปเลยนั่นเองมันต้องรู้คํานี้ขึ้นมานะทีนี้ว่าคนเราเนี่ย ฝึกผลต่างกันก็รู้ต่างกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้ฟังธรรมก็เลยว่าไม่ได้นั่งใกล้สัตวรร์ระุกก็เลยไม่มีการฟังธรรมเมื่อเรานั่งใกล้ก็มีการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็ทําไว้ในใจก็คือโยนิโสมนัสิการเมื่อทําไว้ในใจก็เป็นอันว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เกิดขึ้นทําในใจนั่นเองทําให้เรามีสติปัฏฐานสี่ว่างั้นเถอะ เม่อมีสติปาญสี่ก็ย่อมรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็รู้ในธรรมในธรรมอย่างเช่นว่าพระุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอารมณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้มาจากอะไรมาจากการยึดมั่นตัวเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วการดับการมณเหล่านั้นจะดับได้อย่างไรเราต้องกําจัดความยินดีในเราเสียหรือให้เบื่อหน่ายตัวเราเะนั่นเอง แล้วการดับนี้จะดับด้วยวิธีไหนก็คือทำให้แจ้งขึ้นมาให้มันชัดขึ้นมานั่นเองรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมในธรรมรู้ธรรมอไละหมวดละหมวดว่าสติปรารณสี่อย่างนี้นะสมัมระปารณสี่อย่างนี้นะอิทธิบาทสี่อย่างนี้นะอินสี 5, าหา่ห้าพระละห้าโพชงเจ็ดรู้ธรรมหมวดอื่นๆขันห้าอายตนะหกธาตุธาตุขัน 5, อ, อายตนะ รู้ความเกิดความดับรู้ไปในธรรมของแต่ละท่านแต่ของท่านแต่ละหมวดละหมวดไปอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมในธรรมอย่างนี้แหละชื่อว่าสติปัฏฐานสี่เมื่อบุคคลนั้นได้ฟังธรรมก็มีการทําไว้ในใจเมื่อทําไว้ในใจก็ต้องมีสติปัฏฐานสี่ เมื่อเป็นเจริญจิติพันธสีก็มีการส้่รวมอินทรีย์เกิดขึ้นเวลาเราพิจนารณาร่างกายเนี่ยเราต้องสํารวมจิตอยู่เสมอไม่ให้มันออกอะ่ะถือออกก็คือหมดเรื่องเลยไม่ได้เลยงานของเราชะงักหมดเลยการไม่ให้ออกนั้นก็ต้องมีการคุมอินทรีย์ไว้อินทรีย์อะไรอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่อะไรตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูก ในกลิ่นลิ้นได้ลดกายถูกต้องสมบัติใจเป็นใหญ่ในอารมณ์หยุดไว้ห้ามไว้สำรวมไว้คุมไว้เพราะเราจะทำภารกิจนี้ต้องเบรกไว้ต้องกักกันไว้ต้องสำรวมวาะวังอยู่เสมอไม่ให้มันเล็ดลอดออกไปจึงเกิดขึ้นมาจากการสำรวมนั่นเองเขาเรียกว่าอินซีสังบอก็เกิดขึ้นเมื่อมีอินรีสังวรเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็คุมพฤติกรรมของเราพฤติกรรมต่างๆของเราที่ผิดนั้นเสียเช่นอะไรล่ะเวลาจิตออกนอกไปเนี่ยกายก็ทำผิดวาจีก็พูดผิดพูดไม่ดีเนะี่ยใจก็คิดผิดเขาเรียกว่าทุจริตสามใจทุจริตเขาเรียกว่าม โ, โนทุจริตวาจีทุจริตกายกายทุจริต เวลาจิตออกนอกที่ไหลเนี่ยจิตเราออกนอกมันผิดทั้งสามเลยนะพูดก็ไม่ดีกายก็ไม่สํารวมจิตก็เลื้อยเปยไม่มีขอบเขตคิดมั่วไปหมดอากุศลก็ครอบงําทุจริตสามก็เกิดขึ้นสิทีนี้ว่าเมื่อเรามีการสํารวมอินทรีย์ทุจริตสามก็กลายเป็นสุดจริตสามก็เกิดขึ้น เราสังเกตไม่เวลาอบลงไปเนี่ยมันก็จะซักฟอกสุจริตสามเ่าเราให้เกิดขึ้นจากทุบจริตก็กลายเป็นธรรมที่ตรงข้ามก็คือสุจริตขึ้นมาได้สังเกตไม่เวลาเราปฏิบัติปฏิบัติเราจะเริ่มสำมรวมปากพูดมากก็ไม่ดีนะกายทำอะไรไม่ดีก็ละเว้นนะใจคิดไม่ดีก็พยายามหักห้ามนะพยายามแก้ไขนะพยายามตั้งไว้ที่ไหนนะที่ไหนตั้งไว้แล้วอกุศลเกิดเราไม่ตั้ง ที่ไหนตั้งแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะตั้งควรจะตั้งตรงไหนและไม่ควรตั้งตรงไหนตั้งตรงไหนล่ะควรตั้งตรงไหนตั้งในกายนี้เท่านั้นกายในกายไม่ควรตั้งตรงไหนไม่ตั้งในอารมณ์ภายนอกก็กลายเป็นว่าสุดจริตสามก็ทุจริตสามก็กลายเป็นสุดจริตสามเราสังเกตไหมขึ้นมาแล้วนะ เมื่อทุจลิตสามกลายเป็นสุดจลิตสามขึ้นมาย่อมทำลายนิบธรรมทั้งห้าได้เมื่อการสํารวมในทุตจลิตสามให้เป็นสุดจลิตสามมาก็กลายเป็นว่าสามารถที่จะชนะนิบอรลทั้งห้า เราสังเกตไหมว่าถ้าจิตเราหลุดออกจากตัวปุ๊บนิวรณ์ครอบงำทันทีเลยนิวรณ์อะไรล่ะกามคิดไปทางกามอีกแล้วการมฉันทะคิดไปทางพยาบาทอีกแล้วพยาบาทการง่วงหเหงาเเขวนอนการขี้เกียจขี้ค้านจะเกิดขึ้นจิตออกนอกนะมันจะเกิดนะเป็นถินมิทะความฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นเป็นอุทจักขุกุๆๆจักพานสงสัยอีต่างหา สงสัยอย่างนดอย่างนี้สงสัยไปหมดเลยก็เกิดขึ้นกลายเป็นนิวรอนห้านั่นเองสังเกตไหมว่าจิตเราออกนิวอนห้าทันทีเลยถ้าเราสํารวมให้เป็นสุจริตเนี่ยเกิดขึ้นนิวรอนห้าก็โผล่ไม่ได้เหมือนกันเมื่อนิวรอนดับโพชงเจ็ดจะมาแทนที่อ่าโพชงเจ็ดจะมาแทน ท, นที่ก็คือหนึ่ง สติที่เราพิจารณาในกายอยู่เป็นการจดจ่อการคุมขบวนการของการทำทั้งหมดพิจ า, ารณากายต้องอย่างนี้ต้องวางอุบายอย่างนี้กลายเป็นสติสัมพจชงอุบายต่างๆที่เรามาก่อมเก่าด้วยสตินั้นด้วยสำทับกับสตินั้นด้วยอุบายต่างๆกลายเป็นธรรมะวิจยะสัมพธชงคือเรียกว่าธรรมะวิจัย วิจัยในการทําอย่างนี้ควรไม่นี้ไม่ควรอย่างนี้ควรวิเคราะห์วิจัยในต่างๆในการกระทําของเรเงียน <c oughs> เขาเรียกว่าธรรมวิจยะอันนี้แหละนักสะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าโพุทธงเจตจะเกิดขึ้นเมื่อกวันอ่อนตัวของนิวรณ์ห้าพุทชงเจตก็จะโผล่เราเห็นไหมว่าเมื่อโพุทชงเจตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสติธรรมวิจยะ แล้ววิริยะก็เกิดขึ้นเป็นวิริยะสัโพชรง์วิริยะตรงไหนวิริยะตรงที่สัมมประธานสี่จิตของเราที่อยู่ในตัวเรากุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเป็นภาวนาประธานจิตที่อยู่ตัวเราเห็นตัวเราอยู่ให้รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่อย่าให้เลอะเลือน อย่าให้หายไปให้บริบูรณ์อย <ism> ู่พินโยภาดอยู่บริบูรณ์อยู่ในซึ่งธรรมนั้นกลายเป็นอนุลักษณ์ประธานก็คือยังกุศลให้เกิดนั่นเองเกิดแล้วก็ยังให้เลี้ยงอยู่ให้โตให้บริบูรณ์ให้พินโยภาดอยู่ชื่อว่าเป็นอลุลักษประธานเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย จิตเราออกไปในอารมณ์ต่างๆโดยการเล็ดลอดอินทรีย์ของเราไปห้อ ง, องประตูนั้นถ้ารู้ว่าไปประหารซะด้วยเร็วอย่าให้เนิ่นนานมันจะลุกหลามใหญ่โตไฟดวงกองน้อยกำลังก่อตัวขึ้นรีบดับซะด้วยน้ำไม่มากนักเดี๋ยวมันจะดับถ้ามันกองโตน้ำจะสู้ไม่ไหวเราสังเกตจิต ค, คิดไปหน่อยปุ๊บตัดเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยคิดเนิ่นนานเดี๋ยวเราดับไม่อยู่นะ มันจะเป็นฟุง้งซ่านซิอีกฟุ้งซ่านมากๆจะเอาไม่อยู่เพราะมันกองใหญ่แล้วก็กลายเป็นอุทาจะของนี่บอดนั่นเองฉะนั้นวิริยะตรงนี้เนี่ยก็คือสมรภูธานสีก็คือประหานนะซะก็คือเป็นการทําลายเสีย้ยประหารเสีย้ยก็กลายเป็นว่าประหารนะประทานแล้วประหารแล้วระวังนะคุมประตูใหม่เมื่อกี้ยังมันรอดไปแล้วนะตอนนี้คุมไหม คุมแล้วคุมอีกคุมแล้วอีกย่าให้รอดเจยวคุมอะไรอินรียทั้งหมดทั้งหกนั้นมันกลับมาแล้วนะดึงมาแล้วแต่มันยังจะไปอีกนะเพราะนิสัยเดิมเรายังมีอยู่อินทรีย์สบูรวมก็เข้มงวดขึ้นมากเก่ า, เ, กาเขาเรียกว่าอินทรีนะ่ะสังวรหรือสัมรวมอินรียนั่นเองเป็น ความเพียรในองค์ของพุทธชงก็คือสติสัมพุทธชงเราได้เจริญแล้วธรรมะวิจยะสัมพุทชงครรมวิจัยวิเคราะห์เราได้เจริญอยู่วิริยะสัโพุทธช์เราได้เจริญสัมประธานสี่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราอยู่ในตัวและอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในระบบที่เราต้องการนั้นเชื่อไหมว่าจิตเราอยู่ในตัวมากเพื่ออะไรมันจะเกิดปิติขึ้นมา ปิติก็คือเราสลดสังเวชปิตินี้เขาเรียกว่าสปิติที่สัมประยุทธ์ด้วยความสังเวชปิติคือความอิ่มใจความสลดใจปนกับความสังเวชว่าเราไม่เที่ยงหนอเราไม่มีอะไรหนอเราไม่มีอะไรที่อยู่ในนี้เลยเราหลงตัวเองเนี่ยน้ําหูน้ ồ, นําตามันคอยจะไหลออกมามันซาบซึ้งนั่นเองเขาเรียก ว, ว่าปิติที่สัมประยุทธ์ ด, ด้วยความสังเวชธรรมสังเวชนั่นเอง ก็กลายว่าปิตินี้ก็กลายเป็นปิติสัมโพธชงนั่นเองเห็นไหมองค์โพธชงเริ่มเกิดแล้วแล้วก็จะไล่นิวรห้านั้นออกไปเพราะโพธชงเจตนี้เป็นคู่ปฏิบัติต่อนิวร น, นิวรเป็นคู่ศัตรูกับโพธชงเจตฉะนั้นการประพัติปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นระบบระบบระบบเพรามันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติอย่างผู้ฉลาด ถ้าเราไม่ฉลาดอย่างนี้ไม่ได้นะสู้เขาไม่ได้หรอกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโพชงเกตเราก็เจริญลุกไปลุกไปเมื่อมีปิติแล้วเนี่ยสลดสังเวชน้ําตาไหลเราไม่เคยร้องไห้กับตัวเองหรือว่าเราไม่มีอะไรเรามาเห็นตัวเองร้องไห้นะน้ําตาอันบริสุทธิ์จะหลั่งไหลออกมาเวลาทําความเบียดมันจะเคล้าด้วยน้ําตาเหนืองนิดซึ่งเป็นรสชาติที่อิ่มเอิบ ชุ่มฉ่ำหัวใจเรานะร้องไห้นี่ดีนะเพราะการร้องไห้นี้ไม่ได้ร้องไห้เพื่ออย่างอื่นน้ำตามันสะอาดนะเพราะสังเวทตัวเองที่หลงโง่เง่าเต่าตุนมากับโลกมานานเพิ่งมาเห็นความฉลาดของตัวเองตรงนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอคำสอนแล้วก็มายืนอยู่จุดนั้นของคำสอนด้วยด้วยการประพฤติปฏิบัติมันมันเ ข, า, ขาหลายอย่างก็เลย ปิติใจอย่างมหาศาลทําให้เราหลั่งน้ําตาได้อันนี้เกิดการสังเวชขึ้นมาเขาเรียกว่าสังเวชสัมปยุตด้วยปิติปิติตสัมปยุตด้วยความสังเวชเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วปิติสัมปชงก็เป็นว่าบุคคลนั้นจเจริญอยู่แล้วจเจริญไปอยู่เมื่อปิตินั้นแก่กล้ามากขึ้นอยู่เนืองนิดอยู่ซ้ํา้ ำ, ซ, ำซากซากมันจะเกิดเป็นปัสสธิ สัมโพชงปัจสถิคืออะไรความสงบกายความสงบใจเวลาพิดีเกิดเนี่ยใจจะนิ่งมากและเมื่อใจนิ่งทำให้ตัวเรานิ่งตามฉะนั้นคนคนนั้นจะเริ่มเป็นคนนิ่งนะเห็นเห็นนั่งนิ่งๆเหมือนกับว่ามันมีอะไรภายในที่นิ่งเมื่อใจนิ่งก็พาให้กายนิ่งอยู่กายที่กระสับกระส่าย้อนลน ลุกเี่ลุกลนเป็นคนที่ลุกเี่ลุกลนที่ไม่ไม่ซ้ำรวมหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจไม่อยู่กับนู้นกับตัวเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยก็จะเรียบร้อยขึ้นมาการเรียบร้อยทางใจทําให้กายเนี่ยเรียบร้อยไปด้วยเขาเรียกว่าปัจสถานะแปลว่าสงบกายสงบใจเป็นอันว่าปัสสถานะก็เกิดจากเราเกิดขึ้นแก่เราแล้วปัจสถานะสัมโภชงก็เกิดขึ้นแก่เราแล้ว อันนี้แหละก็เรียกว่าทมอันก่อเกิดให้เราละสังโยชน์ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยปิติก็เกิดปัสสัิก็เกิดเมื่อสงบกายสงบใจเกิดขึ้นมาจิต ก, ก็ตั้งมั่นเพราะจิตมันนิ่งมากตระกายแล้วก็นิ่งตามเมื่อตามทั้งสองก็เลยมั่นทั้งสองขึ้นมากายคือสมาธิสมโพธิชงก็เกิดขึ้น สมาที่สัมโพชงเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าสมาที่สัมโพชงเเ์เกิดขึ้นแก่เราแล้วอเกิดขึ้นแก่เราแล้วอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธิสัมโพชงก็เกิดขึ้นแก่เรากําลังเกิดขึ้นแก่เราอยู่ เป็นอันว่าสมาธิสัมพชง์ของเราก็เป็นอันว่าเราได้อบรมอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาธิสัมโพชงเกิดขึ้นแก่เรามากขึ้นมากขึ้ น, ก, นก่อตัวมากขึ้นเราก็รู้ว่าทมทั้งปวงทมทั้งปวงก็คือเป็นของที่ไม่มีอะไร เราไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเขาเรียกว่าเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเราเป็นอนัตตาโลกเป็นอนัตตาความคิดใดๆที่ในโลกนี้ที่เราผูกพันด้วยจิตเราไม่ควรแก่เราทั้งสิน้นเราจงวางความเป็นความ วางเฉยไว้เถิดโลกมิมิไม่มีอะไรเท่าก็ไม่ควรที่จะอผูกใจไว้กับอะไรจงวางใจเป็นอุเบกขาไว้นั่นคือความถูกต้องของความจริงความจริงแล้วเราเห็นโลกโดยความเป็นโลกความโดยความเป็นโลกแล้ววางโลกไว้จงวางใจให้เป็นอุเบกขาคือความกลางๆไว้นั่นคือจุดสูงสุดของเป้าหมายของเราทำ ขณะนั้นการเห็นอย่างนั้นการเข้าใจอย่างนั้นต้องวางใจอย่างนั้นขึ้นมาและเห็นว่าการวางใจอย่างนั้นเป็นความถูกต้องด้วยอุเบขาสัมโพชงก็เกิดขึ้นเป็นอันว่าพชงเจ็ดเราได้อบรมมาตามลำดับแต่การวางอุเบขาเนี่ยจะมีอุเบขาสองอย่างหนึ่งอุเบขาบุคคลที่กำลังทำอยู่ก็รู้ว่าอุเบขานนั้นมีอยู่แต่ว่าอุเบขาได้ไม่มาก แต่ก็รู้จักว่าอุเบกขาคืออะไรกับอุเบกขาบุคคลที่บรรลุแล้วจบแล้วนั่นเป็นอุเบกขายั่งยืนถาวรแล้วอันนั้นก็เป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งคืออุเบกขาเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอุเบกขาชั่วขณะหรือชั่วเวลาหนึ่งกับอุเบกขาที่ถาวรแล้วอุเบกขาที่ถาวรก็มาจากอุเบกขาที่เป็นชั่วขณะหนึ่งต่อเนื่องนั่นเอง ฉะนั้นระหว่างที่บุคคลทําอยู่เขาเรียกว่าเสกขะบุคคลที่ทําจบแล้วเขาเรียกว่าอาเสกขะก็คือเสกขะแปลว่าศึกษานะศึกษาอยู่นั่นเองก็คือเราท่านทั้งหลายที่อบรมอยู่นั่นเองเราเห็นไหมว่ า, าทุจริตสามก็กลายเป็นสุจริตสามเมื่อสุจริตสามมีอยู่โพธชงเจ็ดก็บริบูรณ์ก็ลัขับไล่นิวรหานั้นออกไป เพราะศัตรูของพ่ชงเจ็ดก็คือนิวรห้าจะไล่กันไปจะฆ่ากันเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนิวรห้าก็ถูกล่มสลายถูกทำลายลงไปพ่ชงเจ็ดก็มาแทนที่เมื่อโพ่ชงมีก็ยังวิชาและวิมุตวิชาก็เกิดขึ้นโพ่ชนเจ็ดนั่นเองเป็นอาหารของวิชา แล้ววิชานั่นเองเป็นอาหารของวิมุตตวิมุตตนั่นเองเป็นอาหารของพระนิพพานนั่นเองท่านจะเห็นว่านิพพานเกิดจากวิมุตตวิมุตตเกิดจากวิชาวิชาเกิดจากโพชฌงเจต์โพชฌงเจต์เกิดจากสุจจริตสาม สุดจริตสามเกิดจากสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์เกิดจากเกิดเจริญสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีเกิดจากการโยนิโสมนสิการคือทำใจไว้ด้วยอุบายโยนิโสมนสิการเกิดจากการศรัทธาความเชื่อความเชื่อเกิดจากการฟังธรรมฟังธรรมเกิดจากการคบสัตตบรุษ เราเห็นไหมว่าขบวนการของการที่ทําให้แจ้งเนี่ยมาเป็นระยะระยะที่สืบเนื่องกันและของขบวนการของการที่ไม่รู้ก็สืบเนื่องกันเหมือนกันอันนี้เป็นฝ่ายเกิดนะแต่ฝ่ายดับเนี่ยฝ่ายฝ่ายกิเลสเนี่ยฝ่ายฝ่ายกิเลสนี้บอกไปแล้วนี่ว่าอ้าวิชามาจากนิวรณห้านิวรณห้ามี ทุจริษสามย่อมมีทุจริษสามีเพราะไม่มีการสํารวมอินทรีย์การไม่สํารวมอินทรีย์มีเพราะไม่เจริญสติปัฏฐานสี่การไม่มีจะการเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีอุบายที่ทําใจไว้ในในอุบายเพราะไม่มีการทําใจไว้ในอุบายเพราะไม่ได้ศรัทธาไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีความเลื่อมใส เพราะไม่มีการเลื่อมใสไม่มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้ฟังธรรเพราะไม่ได้นั่งใกล้สัตรบรุษอันนี้เป็นฝ่ายกิเลสนะฝ่ายดับกิเลสก็จะที่บอกไปแล้วนั่นเองว่าครบสัตรบุรุษนั่นเองเป็นที่มาของการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนั่นเองจึงมีความศรัทธาเมื่อมีความศรัทธานั่นเองจึงมีโยนิโสมนัสิการคือทำใจอุบาย เพราะมีการทำใจอุบายนั่นเองทำให้มีสติปัฏฐานสี่เพราะมีสติปัฏฐานสี่นั่นเองจึงพี่มาของสังรวมอินทรีย์การสรังรวมอินทรีย์นั่นเองจึงทำให้สุจจริตสามเกิดขึ้นสุจจริตสามเกิดขึ้นนั่นเองทำให้โพชฌงเจตยังความเจริญเติบโตโพชฌงเจตนั่นเองเจริญเติบโตยังวิชาให้เกิดเมื่อวิชาเกิดวิมุตต์ก็เกิดเมื่อมิมุตต์เกิดนิพพานก็เกิด อันนี้ขบวนการของการทำให้เจริญทำให้เกิดให้มีก็คือฝ่ายทำให้เรารู้แจง้งถ้าไม่งั้นไม่ได้แล้วก็อบรมอยู่ในระบบนี้อยู่เนืองนองเ น, องเนืองนิดเราอบรมไปเราอบรมไปเราอบรมไปเนี่ย การบริบูรณ์ซึ่งการอบรมก็เกิดขึ้นจากการพิจารณาตัวจากใด จ, จุดใด จ, จุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายภายนอกภายในตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาซ้ำๆๆโน้มไปลักษณะ อ, า, อาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิลาขะโน้มไปลักษณะวโวตสลักมวนปลักษณะของ การสละคืนคือโวตสักะเราน้อมไปลักษณะไตรักอยู่เสมอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงตัวเองโน้มไปใตรักนั่นเองอเข้าใจง่ายๆเมื่อจิตอยู่ในตัวเราก็ขอให้เกิดวิเวกเมื่อจิตเราอยู่ในตัวก็เกิดก่อให้เกิดความดับเนินนิโรธเมื่อจิตในตัวเราพิจารณาความใตรักอยู่ก็ขอขอให้เกิดวิลาคะคือความไม่ยินดี แล้วเราก็เห็นว่าเมื่อก่อนเรากอดรัดไว้ด้วยความรักว่าตัวเราตนเราตัวตนของเราบัดนี้เราจะสละคืนเสีย <c oughs> เขาเรียกว่าโวอดสักขะโน้มไปลักษณะโวอดสักขะคือคือคอนให้แก่โลกไปอย่ามากอดไว้เลยอย่ามายินดีเลยล่างอันนี้เรายืมเขามานะไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกเรากอดมันมัทวยเล่าการกอดรัดหรือรักมันเองนั่นเอ ง, เ, องเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมด ฉันทลาคะมีใดมีอยู่ฉันทราคะนั่นเนี่ยเป็นเหตุของปัญหาหรือตันหานั่นเองถ้าอย่างนี้แล้วถือว่าคนนั้นมีความแหลมลึกมีความเข้าใจอย่างแหลมคมบุคคลนั้นชื่อว่ามีปัญญาแท้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่านั่งสมาธิตะพตืศอย่างเดียวตะพตืศอย่างเดียวทําอย่างเดียวละได้ที่ไหนเล่า่ละได้ที่ไหนเล่า ไม่ใช่สติปัญญาเลยเนี่ยมันจะชู้เขาทันได้อย่างไรทําแบบไม่ฉลาดเราจะสู้เขาได้หรือแล้วทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยไม่มีผลคืบหน้าเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําแบบไม่ฉลาดเลยอ่ะไม่ฉลาดเพราะอะไรคงไม่ได้ฟังธรรมมั้งฟังแต่ว่าไม่มีใครชี้แจงเนาะหรือไงเออคนชี้แจงก็ต้อง ต้องเข้าใจนะไม่เข้าใจมันก็ผาเขาไม่ถูกเหมือนกันก็ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แยบยนนะนะไม่ใช่รู้ง่ายไม่ใช่ใครจะพูดได้ง่ายคนนั้นต้องช่ำชองฉลาดในทางที่ไม่ใช่ต์เขาเรียกว่าฉลาดในฐานะอาถรนะฉลาดทางและไม่ใช่ทางว่าทางไหนควรไปและทางไหนไม่ควรไปรู้ในทางและรู้ไม่ใช่ทางด้วยนะ อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าทางนี้เป็นฝ่ายเกิดของกิเลสนะแต่ฟางนี้เป็นฝ่ายดับนะมันคนละเส้นเลยเขาเรียกว่ารู้ทางและไม่ใช่ทางรู้เขารู้เหาอย่างนั้นเนี่ยกิเลสกลัวมากกลัวคนนี้คนนี้แหลมลึกคนนี้ฉลาดแต่คนนี้ก็อาศัยผู้อื่นอยู่ดีแหละอาศัยอะไรอาศัยผู้รู้บอกต่อกันมาผู้รู้คนแรกบุคคลแรกก็คือพเจ้า ผู้รู้ต่อกันมาคือพระลรหันทั้งหลายครูบาอาจารย์มาจนมาถึงถ่ายทอดมาถึงเรานั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของการรู้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยที่รู้ตามลําดับอย่างนี้นั่นแหละถึงจะเป็นการรู้อย่างถูกต้องอมั่นคงแท่งแท้แน่นอน การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการรู้อย่างละเอียดอ่าถูกต้องมีเยอะๆเลยขีดกว้างอ่าไม่เป็นเลยก็คือว่าทําอย่างนี้แหละวันนี้เปิดเผยหมดเลยนะว่าทางไปอย่างไรอย่างไรละเอียดนะอ่าทําให้ได้นะวันหลังไม่ต้องกอากระก บ, บานมาส่งด้วย <c oughs> ฟังอะไรอยกานะั้นมันเดี๋มันดไม่ได้ย้อนหลังแล้นนะฟังแล้วแล้วไปคือพุทธองค์ในทรงสอนไว้หมดนะว่าทุกอย่างนะต้องมีที่มาที่ไปแม้แต่ทำหมดไหนไหนเนี่ยต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ยังมีอาหารตั้งอยู่ได้อารมณ์ของจิตก็ต้องมีอาหารที่มันอยู่ได้อาหารของมันก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า อาหารของวิอวิชาก็คือนิวอลห้าอาหารของนิวอลห้าก็คืออาหารของนิวอลห้าก็คือทุจริศสามอาหารของทุจริศสามก็คือไม่สำรวมอินทรีย์อาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์เพราะไม่มีสติปะฐานสีอาหารไม่มีสติปะฐานสีเพราะไม่ มีโยนิโสมนาิการอาหารที่ไม่มีโยนิโสมนาิการเพราะไม่มีศรัทธาอาหารไม่มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังธรรมอาหารไม่มีการฟังธรรมเพราะไม่นั่งใกล้สัตบุตเราเห็นไหมเป็นอาหารอาหารอาหารมันเลยมันมีอาหารอยู่ชั้นใดก็เหมือนกันทำทั้งหลายมันต้องมีเหตุของการมีไม่ใช่มีโดยพรักการเขาจะตั้งอยู่ได้เพราะอาหารหล่อเลี้ยงเขาถ้าเกิดว่าเราตัดอาหารทุกอย่างการ เหมือนกับค่าศึกนะเราตัดสเสบียงเขาหน่อยอย่างเช่นว่าจิตเราคิดไปในอารมณ์ภายนอกนั้นคืออาหารของราคะโทสะโมหะอาหารของอกุศลเพราะว่าราคะโทสะโมหะเป็นอกุศ ล, ลมูลอกุศลละมูลคือลากเง่าแห่งอกุศลธรรมเราสังเกตไหมว่าจิตเราออกข้างนอกไปเนี่ยความคิดไม่ดีนี้ประดังทันทีเลยมีอยู่ตลอดนั่นคืออกุศลลมูล ที่ในหนังสือนวกโกวาตถ้าใครบวชมานะจะเรียนนวะโกวาต์นวะแปลว่าใหม่นั้นโกวาตแปลว่าโอวาตโอวาต ใ, ใหม่โอวาตพระใหม่ะจะบอกว่าอาคุสุลลมูลคืออะไรราคะโทสะโมหะคืออาคุศลลมูลรากเงาของอาคุศลฉะนั้นจิตที่เรามีอกุศลสามตัวนี้อยู่เนี่ยเพราะอะไร เพราะเราไปให้อาหารมันอยู่เสมอมันก็เลยอ้วนเลยอะไรคืออาหารของเราเราปล่อยจิตไปหาเขาอ่ะการปล่อยจิตการไม่สํารวมอินทรีย์นี่เองทําให้มันโตฉะนั้นกิเลสที่มีอยู่ในเราเนี่ยอ้วนอยู่เสมอเพราะเราให้อาหารมันเลี้ยงมันตลอดก็จิตสีส่งนอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นกิเลสสามตัวอยู่แล้วแต่เราก็ส่งเสริมมันการไปของมันอยู่เลยแล้วก็ไปกับมันอยู่เลย ยิ่งคนไปบอกว่าตามจิตนะตามจิตไปตามจิตไปมันก็เหมือนกับให้อาหารมันเลื่อยนะ่ะเชื่อไหมคนที่ตามจิตนี่เท่ากับการให้อาหารของกิเลสเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเลยนะ่ะแล้วมันจะละได้ไงมันอ้วนใหญ่เลยนะอ้วนเข้าอ้วนเข้าตายเลยเพราะไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองไม่ฉลาดไม่ไม่ปฏิบัติถูกนั่นเอง ไม่น่าเราปล่อยจิตทุกวันทุกวันวันมันอ้วนเลยนะกีเดตของเราเนี่อ้วนเลยเพราะอะไรเพราะเราให้อาหารมันท่านั้นเวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาตัดเลยตัดสเสบียงเลย เวลาเราอบรมเนี่ยตัดะเบียงเลยตัดญาติขาดมิตรเลยให้มันตายให้มันผอมนี่คือการไม่ให้อาหารเมื่อเราตัดจิตไม่ให้ไปเอาอินทรีย์สำรวมมาสำรวมไว้กักไว้ไม่ให้ใครเล็ดรอดส่งอาหารเลยเชื่อไหมกิเลสเราผอมนันทีนะผอมลงผอมลงนั่นคือเขาจะตายเอาเราก็ต้องทําให้อย่างนั้นดิเราจะไปปล่อยจิตทําไมยิ่งตามยิ่งไปยิ่งไปใหญ่เลย ยิ่งตามจิตตามดูตามรู้ยิ่งให้อาหารใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้เวลาประพฤติปฏิบัติอย่างที่ตามาสอนเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเลยตัดตัดกันทีตัดตัดสเบียงมันเนี่ยตัดอาหารมันเน่ยเราสังเกตว่าจิตมันจะคิดไปทางกามเนี่ยเราไม่ไม่ให้คิดนะดึงมาพิจารณาการนาน น, านมันมันบางเลยนะมันบางมันบางถ้าเราว่ามันผอมลงเนะ่ะนานนานอุ๊ย ทำไมความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเราน้อยลงน้อยลงก็มีหน้าเราตัดสเสบียงมันตลอดเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนคิดเอาคิดเอามันก็อ้วนใหญ่ดีอ้วนใหญ่ก็พาเราเตลิดเปิดเปลืงใหญ่เลยโอ้เราไม่รู้โกลไกเพราะอะไรเราไม่นั่งใกล้ผู้รู้ไม่ได้นั่งใกล้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมปล่อยจิตตามใจเละเทะหมดเลยเพราะไม่ฉลาดนั่นเองไม่รู้จากทางของพระยะเจ้านั่นเอง ดังนั้นการฟังธรรมจึงในรู้ในสิ่งที่ไม่รู้สามารถที่เข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้อันนี้แหละถึงได้บอกว่าการฟังธรรมนี่เองเป็นที่มาของทั้งหมดทีเดียวนะ